บทที่41ชนะกรรมเป็นไงไม่มาเสียเกือบสามเดือนอุปการะทักมาจากเบื้องหลังขณะที่ลานดาวกำลังช่วยกันกับเด็กคนใช้จัดข้าวของเข้าตู้เย็นและชั้นวางต่างๆเดี๋ยวนี้หล่อนมาครั้งใดจะหอบหิ้วข้าวปลาอาหารน้ำผลไม้วิตามินและอื่นๆเต็มคันรถมาฝากห้องครัวบ้านอาจารย์ของหล่อนเสมอญิงสาวชะงักมือหันมายอบกลายพนมมือไหว้ สวัสดีค่ะอาจารย์พักนี้ยุ่งเรื่องรายการใหม่กับหนังสือใหม่จนไม่เป็นทำอะไรเลยค่ะอาทิตย์หน้าหุบวิท จ, จะติดคิวต่างจังหวัดเกือบไม่ได้ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวของพี่เอินด้วยซ้ําอาจารย์สบายดีนะคะก็พอใช้แล้วอาทิตย์หน้าจะได้เจออาจารย์ที่งานพี่เอินหรือเปล่าเอ๋ยอุปการะพยักหน้าได้ไปคุยกันที่ห้องรับแขกเถอะปล่อยให้ส้มเขาจัดการไปลานดาวยิ้มแป้นเดินตามอาจารย์ต้อยๆไปที่ห้องรับแขกตามคําสั่ง เมื่อมาถึงก็นำอุปกรณ์บันทึกเสียงชนิดแฟลตไดรฟ์วางไว้บนโต๊ะกลางแล้วกดปุ่มด้วยความตั้งใจแต่แรกว่าจะมาขอข้อมูลจ๊ะ ก, กำลังจะเขียนหนังสือเล่มใหม่ค่ะต้องขอรบกวนอาจารย์อีกครั้งหรอคราวนี้เกี่ยวกับอะไรตั้งชื่อหนังสือว่ายังไงล่ะคิดว่าคงเป็นชื่อลานกรมระบำดาวค่ะเอาชื่อจะไปมีเอี่ยวด้วยหน่อยเล่ม น, นี้จะอยู่บนแนวคิดที่ว่าดวงดาวมีอิทธิพลกับเส้นทางและเหตุการณ์ในชีวิตคนจริง แต่เนื้อหาทั้งหมดจะยงให้เกิดความเข้าใจว่าทำอย่างไรจึงมาเกิดใต้อิทธิพลของดาวดวงไหนอุปการะยิ้มอย่างเข้าใจแนวคิดของลูกศิษย์สาวฟังดูดีเหมือนกันคนส่วนใหญ่ฟังเรื่องกรรมแล้วรู้สึกว่าเข้าใจยากแม้หลายคนเชื่อเรื่องกรรมก็ไม่จุใจเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พืชที่ตนหวานไปจะให้ผลคนเลยอยากฟังเรื่องอิทธิพลของดวงดาวมากกว่าเพราะถ้าตำราไหนแม่นๆก็บอกเลยว่าเมื่อนั่นเมื่อนี้จะเจออย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่อยากทราบสาเหตุหรอกว่า ทำไมตัวเองถึงตกมาอยู่ใต้อิทธิพลของดาวไหนอยากรู้แค่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตัวเองแน่ๆเท่านั้นหนูเอาเรื่องกรรมกับโหราศาสตร์มาเชื่อมกันก็ดีว่าแต่จะให้ผมช่วยยังไงล่ะขอเล่าแนวทางคร่าวๆก่อนนะคะจะได้ไอเดียจากที่อาจารย์เคยพยากรณ์จ้าผ่านผังกรรมเช่นเส้นทางหลักจะต้องได้เป็นดารานักร้องระดับโลกเพราะบุญเก่าหลายๆอย่างประกอบกันแต่บนเส้นทางดาราก็จะต้องเจอเจอความผิดหวังเสียใจเพื่อชดใช้วความผิดที่ทําไว้กับหนุ่มๆ รวมกับธรรมชาติของเส้นทางดาราที่ต้องวุ่นวายกับราคาชักนำให้ใครต่อใครเกิดราคาผลเลยต้องเสวยวิบากไม่ดีเกี่ยวกับราคาเข้าด้วยตนเองบ้างอุปการะผงกศรีษะจะสนใจเส้นทางหลักของชีวิตเพราะเห็นว่าเราดิ้นหนีจากความเป็นตัวเองไม่ได้ เหมือนมีบางสิ่งรุนหลังบังคับให้ต้องดุ่มเดินไปตามทางพูดให้ง่ายคือกเก่าสร้างทางไว้ให้เดินอย่างไรก็ต้องเดินแต่ระหว่างเดินก็มีสิทธิ์ทำอะไรให้ดีขึ้นได้เหมือนกันนี่คือแนวคิดหลักๆค่ะขอถามก่อนอาจารย์เห็นว่าจะมองอะไรผิดไปหรือเปล่าผู้เป็นอาจารย์กอดอกด้วยท่าทีของผู้มีความสุขุมเป็นนิดกเกาจากอดีตชาติขุดทางให้เราเดินในชาติปัจจุบัน แต่ถ้ากาปัจจุบันมีพลังเหนือกว่าที่ทำไว้ในอดีตชาติอย่างชัดเจนก็อาจยกระดับให้เดินสูงขึ้นได้หรือกระทั่งฉีกทางแยกเป็นตั้งฉากเลยก็ยังไหวหนึ่งชีวิตของมนุษย์เรามีศักยภาพได้ขนาดนั้นล้านดาวไหลตกท่าทีเสื่องลงคล้ายนางม้าป่าที่ถูกกระหนาบจนหมดพยศอย่างสิ้นเชิงตอนฮึดสู้อย่างคนที่สแสวงหาความรักแทบพลิกแผ่นดินจ้า ก, ก้มไฟแรงจะเอาให้ได้อย่างนั้นเลยค่ะแต่พอชีวิตปรากฏอยู่ตรงหน้าจริงๆ ลองได้เพี่ยนสู้ลองพยายามเปลี่ยนแปลงวิถีทางตัวเองลองพยายามแม้เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็นถึงเห็นว่าเก่งแค่ไหนก็ไม่เกินฤทธิกรรมเก่าๆของตัวเองอุปการะหัวเราะแผ่วมองลานดาวด้วยสายตาแบบหนึ่งไม่เจือด้วยความหมันไส้เหมือนแต่ก่อนเพราะอย่างน้อยหล่อนก็เพียรสร้างสมความดีจนสมควรแก่การยกย่องไม่เอาแต่ยื่นหน้าอวดดีเฮอกเหือในบุญญาที่การท่าเดียวดังเคยหนูอยากได้คนรักไม่ใช่หรอตอนนี้ก็ได้แล้วนี่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยขาดด้วย หญิงสาวยิ้มซึมกว่าเดิมคล้ายถูกจี้ตรงจุดทุกอย่างเป็นไปตามคําทํานายของอาจารย์ต่างหากละคะพี่แตรเกือบใช่แต่ในที่สุดก็ไม่ใช่และก็จริงอย่างอาจารย์บอกคือถ้าจ้าจะเอาเขาไว้จริงๆก็ได้ขึ้นอยู่กับจ้าจะทําให้เขาใช่หรือไม่ใช่แต่จะละเองเสียก่อนในเมื่อมองเห็นองค์ประกอบทุกอย่างถูกวางไว้แล้วอาจารย์บอกว่าพี่แตรกับคู่แท้ของเขาเคยออกถิน t ุรักันดานช่วยเหลือคนร่วมกันมาจะรออยู่ว่าจะเป็นใคร อุตส่าห์เที่ยวไล่เที่ยวคือไปหาพี่แตรถึงโรงพยาบาลหลายหนด้วยความระแวงว่าจะเจอเขาจูจีกับหมอสาวคนไหนในที่สุดก็อยู่แค่ปลายจมูกนี่เองพี่เอิญสุดที่รักของจ้ะนี่แหละชาตินี้เขาเป็นหมอด้วยกันแล้วจ้าก็เห็นกับตาว่าพอเป็นแฟนกันวันๆก็ไม่คิดทําอะไรอื่นนอกจากร่วมตะลอนไปช่วยคนแปลกหน้าสรุปแล้วจ้าไม่ใช่คู่ที่เหมาะสมกับพี่แตรบนเส้นทางกรรมแบบเขาถ้าเขาอยู่กับจ๊ะอย่างมากก็ดูหนังฟังเพลงด้วยกันตามเรื่องตามราว แต่พอหนูสละเขาให้พี่สาวหนูก็ได้แฟนใหม่มาทันทีนี่ทุกใจกว่าเดิมเสียด้วยได้มาแบบรู้ทั้งรู้ว่าในที่สุดก็ไม่ใช่อยู่ดีอาจารย์บอกไว้แล้วว่าต้องอีก20ปีถึงจะเจอตัวจริงก้มหน้าตาปล่อยเสียงอ่อยแต่ถึงจุดนี้จ๊าก็เรียนรู้ที่จะยอมรับแล้วล่ะคะ่ะพี่นาเพิ่งขอแต่งงานแต่จ๊าก็ตกลงรับคาไปแล้ววันหนึ่งพี่อาจเบือ่ออาจขอเลิกหรือเขาอาจประสบชะตากรรมใดๆไม่ได้ร่วมทางกับจ้าไปจนตาย แต่จ้าก็ดีใจแล้วที่มีโอกาสรู้จักเขาทุกอย่างใช่ไปหมดแม้กระทั่งความรู้สึกถึงรักแท้ในจินตนาการแม้จะยังไม่ใช่ตัวจริงของจา้าจ้าก็เต็มใจและยินดีที่ได้อยู่กับเขาสักช่วงหนึ่งอุปการะสายหน้าชา้าริมฝีปากยังคงระบายยิ้มปลาณีปลานนี้ยังอ่านกรคำตัวเองไม่ขาดอีกถือว่าไม่แน่จริงนี่ลานดาวย่นคิ้วหางเสียงอาจารย์ทําให้เอจใจช้อนตาเหลือบขึ้นศพพอเห็นอีกฝ่ายกําลังมองมายัางตนนิ่งด้วยแววชนิดหนึ่ง ดุดบีดาร่วมปลื้มใจกับความสําเร็จของลูกสาวหล่อนก็ลุกพรวดอย่างลืมตัวพี่นาเป็นคนนั้นของเจ้าหรือคะแทบจําซุ้มเสียงของตนเองไม่ได้เพราะทั้งตกตะลึงผึงเพลิดทั้งอยากได้คําตอบทั้งลังเลด้วยสารพัดคาถามที่ถมประดังเข้ามาพร้อมๆกันโหราจารย์ใหญ่นิ่งเฉยมองตอบด้วยสายตาที่มีอํานาจปรามเยี่ยงผู้มีศักดิ์เป็นครูลานดาวจึงรู้ตัวว่าสติหลุดอาจารย์ของหล่อนไม่ชอบให้ระงับอารมณ์ไม่อยู่จนจิตเสียอย่างนี้ขอโทษค่ะ หญิงสาวพนมมือไหว้แล้วย่อกายลงนั่งซ้อนมือวางกับตักอย่างเรียบร้อยเยี่ยงกุลสตรีพึงสำรวมกิริยาเมื่ออยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์แต่พยายามวางมือให้นิ่งอย่างไรก็สะกดความสันหลิกไม่ลงเพราะอยากได้คําตอบอันเปรียบประดุดคําพิพากษาจนใจแทบขาดอยู่แล้วถ้าใช่ก็ควรมีเหตุผลที่สมควรให้ใช่จริงไหมค่ะล้านดาวบีบมือตอบไม่เต็มเสียงอุปการะเอ่ยเนิบนาบเยี่ยงผู้ที่ยากจะมีสิ่งใดมาทําให้ใจกระเพื่อมจําไวเ้เถอะ สิ่งที่เราสร้างสิ่งที่เราทำอาจเบี่ยงเบนแม้คําพยากรณ์ของหมอดูที่แม่นที่สุดในโลกได้ในลองวินิจฉัยตัวเองซิที่ผ่านมาเราทําอะไรเข้าท่าพอจะขัดท้ายเรือชีวิตให้หันเหไปจากเดิมบ้างตอบให้เหมือนกับคนอื่นถามแล้วเราต้องทําหน้าที่ตอบเขานะ่ะลานดาวบีบมือเข้าหากันแน่นสีหน้าสดชื่นราวกับดอกม้ได้รับน้ําและแสงแดดจนบานสะพรั่งทั้งดีใจทั้งโงนชงายและทั้งตื่นเต้นกับความจริงในชีวิตที่พลิกไปพลิกมาราวกับฝันสนุก จากคาทานายของอาจารย์ถ้าเป็นไปตามผังกรรมและธรรมชาติวิสัยเดิมๆปานนีจะน่าจะเป็นนักร้องดังระดับประเทศและรอคิวต่อยอดเป็นคนดังระดับโลกในสองปีข้างหน้าด้วยบุญเก่าหลายๆอย่างและจะเป็นดาวคางฟ้าไปถึง20ปีซึ่งก็พอดีเวลากับที่จะพบคู่แท้เมื่ออายุใกล้40อออาจารย์ยังทำนายด้วยว่าเพราะวิถีทางที่ทาประโยชน์ให้กับวงกว้างจะเป็นตัวจูงให้ได้พบกับคนที่ใช่ พักกระพริบตาทีๆนึกทบทวนคุณพยากรณ์ของผู้อาวุโสและประติดประต่อได้ภาพรวมอย่างรวดเร็วแล้วขนลุกเกลียวไปทางร่างก่อนกล่าวสืบต่อด้วยน้ำเสียงเชื่อมันแต่เพราะจ้าสลัทางที่เดินง่ายหันมาเลือกทางที่ยากขึ้นกับทั้งทำประโยชน์กับวงกว้างตั้งแต่แรกเลยยนืนเป็นเป้าให้บุคคลประเภทเดียวกันสนใจซึ่งก็คือพี่นาใช่ไหมคะท้ายประโยคยิงคำถามด้วยแใจระทึกเป็น ล, นล้นพ้นแล้วก็เกิดปีติอย่างใหญ่หลวงเมื่ออุปกา ร, พระพงศ์ศรษะช้าๆเป็นการรับรอง ลานดาวพยายามควบคุมตนเองแต่ก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่สะอื้ออนออกมาฮักหนึ่งเหมือนหัวเราะและร้องไห้พร้อมกันหล่อนยกสองมือปิดหน้าเหลือเพียงแนวตาฉายแววสำนึกคุณจับจ้องบุรุษผู้นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาทำให้หล่อนไม่ต้องเสียเวลาไปครึ่งชีวิตก่อนได้รางวัลอันเป็นยอดปรารถนาไว้ในมือเป็นครู่กว่าความสะเทือนแรงในหัวอกจะลดระดับลงลานดาวพนมมือน้อมศีรษะเคารพอุปการะด้วยความรู้สึกหลึกซึ้งยิ่งขอบพระคุณนะคะอาจารย์ซื่อสัตย์กับเขาเถอะ หนูจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาสร้างสรรค์อะไรดีๆทิ้งไว้ในโลกได้อีกมากเหมือนอย่างที่เคยช่วยกันสร้างช่วยกันทํามาแล้วหลายชาติหลายสมัยค่ะล้านดาวบอกตอนเองว่าเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคู่บุญและคู่บารมีก็คราวนี้เองถ้าเป็นคู่แท้ที่เคยร่วมบุญร่วมบารมีกันมาก่อนก็มิใช่ว่าจะต้องด่วนเจอทันใจเสมอไปแต่อาจารอจังหวะเหมาะสมที่เมื่อพบกันแล้วต่างอยู่ในภาวะพร้อมจะร่วมทางกุศลดังเดิมอีกด้วยพี่นาคับจ้าจะได้พบกันทุกชาติหรือเปล่าคะ แรงเวียงของกรรมใหญ่ฝ่ายกุศลจะดึงดูดให้วิ ญ, ญญาณตามติดกันไปเรื่อยๆคล้ายดาวแม่กับดาวบริวานนั่นแหละตราบใดเรายังมีใจเห็นดีเห็นงามกับกุศลผลบุญของเขาแล้วก็ร่วมกันทำประโยชน์ให้สาธารณชนไม่เลิกราเกิดใหม่ก็ได้อยู่ด้วยกันอีกเสมอไปเว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพลาดไปอยู่พบต่าปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งโดดขึ้นไปอยู่สูงตามลาพังก็อาจคลาดกัน ร, ระยะหนึ่งยิงสาวนึกไปข้างหน้าแล้ววางเวงขึ้นมาฉับพลัน ขนาดชาตินี้เพิ่งเข้าต้นวัยแถมมีบุญอุดหนุนอย่างอุ่นหณาฝาคั่งยังเหงาแทบตายกับการรอคอยเขาอย่างไม่มีกําหนดจะหน้าห่อเหี่ยวขนาดไหนหากชาตินี้เขาไปอยู่เสียที่อื่นปล่อยให้หล่อนคว้าคนผิดแล้วเล่ า, เ ล, า, เ, ลาเล่าไปจนแก่ชรากระทั่งได้ข้อสรุปว่าคู่แท้ไม่มีมีแต่คู่เทียมชั่วคราวการร่นเร่กเกิดตายท่ามกลางความไม่รู้ไม่เห็นนั้นสิ่งน่าหวาดหวั่นพรั่นพึงที่สุดเห็นจะได้แก่ความไม่แน่นอนไม่อาจบัญชาให้เป็นไปตามปรารถนานี่เองการเกิดตาย การเติบโตขึ้นมาอย่างไม่รู้อิโนอิเนนี่มันมีเรื่องน่าร้องไห้มากจังนะคะก็ต้องวิ่งวนกันไปจนกว่าใครจะเจอทางออกก่อนกันเขาเอ่ยเรียบเหนื่อยยิ่งเวลาผ่านไปหนูจะยิ่งมีโอกาสไปงานศพ บ, บ่อยขึ้นแต่และงานอาจทําให้มีสักแวบหนึ่งที่หนูย้อนคิดแล้วเห็นชีวิตเหมือนความฝันเป็นฝันที่ดําเนินเร็วสบัดหน้าขวบหนึ่งเห็นรั้วโรงเรียนอีกควบหนึ่งเห็นรั้วมหาวิทยาลัยอีกควบหนึ่งเห็นรั้วที่ทํางานอีกควบหนึ่งกลายเป็นรั้วเมนที่เราไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อเสียแล้ว ระหว่างมีชีวิตใครเตรียมสเสบียงไว้เดินทางไกลแค่ไหนเท่านั้นแหละลานดาวนึกถึงอดีตของตัวเองแล้วบังเกิดความกลัวขึ้นมาวูบหนึ่งจากกลัวเกิดใหม่ด้วยความลืมลืมแล้วกลับแผลงฤทธิ์เป็นนางมารร้ายอีกต้องสวยกำชั่วที่ทำไปด้วยความไม่รู้อีกกลัวไม่เจอกันรยานามิตรที่ดีอย่างพี่เอิญกับพี่แตรกลัวไม่เจอคนให้แสงสว่างได้อย่างอาจารย์ก็อธิษฐานเอาสิวิธีเล่นเกมเดินทางไกลในวังวนเกิดตายนี้คืออยากเป็นอย่างไร ให้ทําอย่างนั้นตลอดชีวิตแล้วอธิษฐานไปเรื่อยว่าขอเป็นคนอย่างนี้ขอมีครูอย่างนี้เป็นอย่างที่กําลังเป็นพอรู้จักกลไกการทํางานของจิตมากเข้าบางทีจ๊าก็สับสนอยู่เหมือนกันนะคะจ้เห็นตัวเองคิดเป็นกุศลและอกุศลสลับกันอยู่ตลอดเวลาต่อให้รู้สึกว่าชีวิตสว่างแล้วบางทีก็ยังคิดชั่วๆได้อยู่อย่างนี้จะมีอะไรเป็นตัวชี้ขาดว่าชาติหนึ่งหนึ่งเราเป็นคนดีหรือคนเลวความละอายต่อบาปไงละ่ะใครทําผิดแล้วยังสํานึก ก็ไม่จัดเป็นคนเลวแต่ใครทําผิดเราไม่สํานึกเลยอันนั้นประกรันความเลวได้จิตจับเอาพบมืดไว้เป็นที่หมายแน่นอนแล้วส่วนคนดีคือพวกที่ติดใจการคิดการพูดการทําแต่ในเรื่องน่าชื่นใจถ้าต้องเฉียดเข้าไปใกล้เรื่องช่อฉนคิดคดหรือต้องเบียดเบียนทําร้ายใครก็จะสะดุ้งกลัวพยายามหนีห่างออกมาลานดาวย้อนนึกไปเมื่อไม่ช้าไม่นานนี้เองหล่อนยังทําร้ายจิตใจคนได้โดยไม่ต้องกระพริบตาทําแล้วไม่สํานึกละอายแม้แต่น้อย ซึ่งก็ควรแก่การเสียวไส้อยู่หรอกถ้าตอนอยากฆ่าตัวตายแล้วได้ตายสมอยากจริงๆป่านนี้คงโตเตะอยู่แถวแถวเหวนรกกระมังแล้วถ้าแค่อยากทําผิดอยู่ในใจเรื่อยๆโดยปลัดจากความละอายแต่ไม่ได้พูดไม่ได้ลงมือทําจริงๆลรอคะถือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของหมู่คนเลวหรือเปล่าคิดเฉยๆไม่ใช่ตัวตัดสินเขาตัดสินกันตอนพูดตอนลงมือทําแต่ก็ประมาทความคิดไม่ได้เพราะความคิดนี่แหละต้นแหล่งดีชั่วยที่แท้จริงตราบได้ยังคิด ตราบนั้นยังมีสิทธิพูดออกมาจริงๆทำออกมาจริงๆแล้วจะจัดการกับความคิดชั่วๆในหัวยังไงดีละคะทุกวันนี้จะสารภาพกับอาจารย์เลยว่ายังมีความคิดเหลวแหลกอยู่มากบางทีก็ทรมานจังแต่ก่อนตอนเร็วๆยังคิดน้อยกว่านี้ด้วยซ้ําอุปการะหัวร้อเหือๆความอยากหยุดคิดกับความทรมานจากการคิดเหลวแหลกนั่นแหละตัวกระตุ้นสําคัญให้ยิ่งคิดมากเข้าไปใหญ่หนูไม่ต้องไปทําอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิด พิจารณาดูให้รู้ว่านั้นแค่คลื่นสมองซึ่งผุดกระเพื่มขึ้นเองไม่ใช่เจตนาที่ส่งออกมาจากหัวใจของเราอย่างแท้จริงถ้าคิดเร็วๆแล้วไม่รู้สึกผิดมีเข้าขายที่อาจารย์ว่าคิดเร็วได้โดยปลั๊จากความละอายหรอกหรือคะความคิดมีอยู่สองแบบแบบแรกเหมือนสายลมที่พัดมาเองตอนเราเดินอยู่กลางแจ้งเราบังคับควบคุมไม่ได้ทำได้แค่เพียงรับรู้ว่ามันผ่านมาปะทะเราแล้วปล่อยให้มันผ่านไปเฉยเฉยความคิดอีกแบบเหมือนลมที่เกิดจากความจงใจพัดโบกของเรา เราสมัครใจหรือติดใจที่จะคิดอย่างนั้นการคิดด้วยความติดใจและจงใจนี่แหละถึงจะเป็นมโนกรรมเต็มขั้นลานดาวยิ้มอย่างเข้าอกเข้าใจแจ่มแจ้งแทงตลอดสรุปคือแค่ปฏิบัติต่อความคิดเร็วๆเหมือนรู้ว่ามีสายลมพัดฝุ่นทรายมาโดนตัวแล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องคว้ามาใส่ปากเขียวต่ออย่างนั้นใช่ไหมคะอุปการะยิ้มอย่างพึงใจในการอุปมาอุปไมของหญิงสาวอืมความสามารถในการสานึกผิด ลานดาวเอียงคอช้อนตาทะยงขึ้นบนในท่าคิดจ้าจะให้ความสําคัญกับความสํานึกผิดไว้หนึ่งบทเลยทําเร็วแล้วยังสํานึกแปลว่าไม่เร็วจริงแต่ทําเร็วแล้วติดใจโดยปราศจากความสํานึกใดๆแปลว่าจิตเคลื่อนไปอยู่ในภพที่เป็นอบายแน่แล้วถูกไหมคะก็จัดเป็นเครื่องวัดที่ค่อนข้างแน่นอนจ้าอยากวิเคราะห์ว่าความดีเริ่มต้นมาจากไหนครูที่ดีเพื่อนที่ดีหรือเรียกรวมๆ ว, ว่ากัลยานามิตรนั่นแหละรุ่งอรุณของความดีงามทั้งปวง จิตชั้นสูงระดับมนุษย์จะรู้จักความดีเอาเองโดยไม่ต้องให้ใครบอกไม่ได้หรือคะอย่าไปเรียกจิตชั้นสูงเลยคนเราเนี่ยโดยเดิมดิบดิบนั้นครึ่งครึ่งกลางๆระหว่างเดรัจฉานกับเทวดามากกว่าจิตมนุษย์ช่างสงสัยเคลือบแคลงและบ่อยครั้งทึกทักเข้าข้างตัวเองมากกว่าจะรู้เห็นอะไรตามจริงแค่คําว่าความดีคําเดียวก็เถียงกันได้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแล้วหนูจะให้คนคนหนึ่งดีขึ้นมาด้วยตนเองได้อย่างไรค่ะ คือจากำลังวิเคราะห์ตัวเองว่ากลับใจเปลี่ยนจากเด็กไม่รู้คิดเป็นผู้เป็นคนขึ้นได้บ้างอย่างนี้เริ่มต้นขึ้นที่ไหนคำพูดของใครทลายกำแพงทิฏฐิของเราได้หากเราจับจังหวะสำคัญถูกก็น่าจะบอกต่อเป็นสูตรสาเร็จให้คนอื่นรู้ตามได้ไม่ยากทํานองเดียวกับที่เราไม่อาจระบุว่าวันเวลานาทีไหนเป็นตัวทาให้ร่างกายเราโตขึ้นเราไม่อาจรู้หรอกว่าคาพูดไหนของใครทาให้เราเริ่มเป็นคนดีขึ้นมาแค่รู้ได้แต่ว่า การอยู่ใกล้ใครสักคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราเลื่อมใสในความดีเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาที่คลุกคลีกับเขาอย่างนี้ถ้าไม่มีโอกาสพบกันระยาณมิตรก็แย่สิคะเมื่อยังไม่ถึงกรียุคมนุษย์ทุกคนมีช่วงเวลาในชีวิตที่เป็นโอกาสทองทางความดีเสมอเพราะในหมู่คนจํานวนร้อยซึ่งเรารู้จักหรือได้พบหรือได้ยินได้ฟังต้องมีสักคนที่เป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจทางความดีให้เราได้ลันดาวค่อยๆนึกทบทวน บางทีเรื่องใกล้ตัวที่สุดก็มักถูกมองข้ามไปอย่างง่ายที่สุดความจริงพ่อแม่ของหล่อนก็เป็นแบบอย่างที่ดีในหลายๆด้านครูที่สถานศึกษาตั้งแต่อนุบาลยันอุดมศึกษาก็มีหลายท่านที่งดงามน่าเคารพอย่างน้อยหล่อนก็โตขึ้นมาท่ามกลางบุคคลแวดล้อมจำนวนหนึ่งซึ่งช่วยชี้ให้เห็นว่าความดีไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องของคนยอมโง่เสียเปรียบใครๆแต่การยานามิตรก็มีอิทธิพลกับชีวิตต่างระดับกันไปเมื่อนึกถึงผู้ที่ชุดชีวิตหล่อนขึ้นจากกล่มของความหลงผิด นนทการปรากฏชื่อเป็นอันดับแรกในฐานะผู้นำทางมาพบกับครูผู้ชี้ทางถูกรวมทั้งอยู่ข้างหล่อนด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ฉวยโอกาสในยามที่กำลังสับสนเหมือนลงทางสับซ้อนเขาพูดให้ได้คิดขนาดที่หล่อนแทบคิดไม่ได้และในยุคที่มีแต่คนยุโยงส่งเสริมให้ผิดศีลเอามันจงคลึ่มเขาเป็นทูตแห่งความดีเตือนหล่อนให้คบกับมาวันทาอย่างถูกทำนองคลองธทำไม่ลำเส้นศีลข้อกาเมหากหล่อนลืมนับเขาเป็นกระยาณมิตรก็คงเป็นเรื่องน่าละอายพอดู อันดับสองคงหนีไม่พ้นมาวันทามาวันทาเพียงคนเดียวทําให้หล่อนเห็นชีวิตหลายแง่มุมเหลือเกินคือเป็นทั้งหมอรักษาทั้งพี่สาวใจดีทั้งครูสอนดนตรีการทั้งหวานใจคนแรกทั้งผู้ทําให้หล่อนอยากลาโลกด้วยรักขมตลอดจนกระทั่งเป็นผู้หญิงที่มาชิงชายคนรักของหล่อนไปโดยไม่เจตนายิ่งคิดยิ่งมีความรู้สึกประหลาดล้ํากับสัมพันธภาพหลายชั้นหลายเชิงระหว่างหล่อนกับมาวันทาแต่เหนือสิ่งอื่นใดมาวันทาทําให้หล่อนเชื่อว่าโลกนี้ยังมีคนคิดรักษาศีล ถึงแม้อยู่ในภาวะเข้าได้เข้าเข็มอยากละเมิดสีนเต็มอัตราเพียงใดก็ตามอันดับ3คืออมาริดผู้ชายคนแรกที่หล่อนนับเป็นแฟนตัวจริงเขาทําให้หล่อนรู้จักตัวเองว่าจะรักใครได้ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือร่ํารวยล้นฟ้าขอเพียงมีความคิดและน้ําใจที่ยิ่งใหญ่พอยิ่งกว่านั้นอมาริดยังเป็นแรงบันดาลใจให้หล่อนคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อรักษาเขาไว้และการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญคือมีน้ําใจเสียสละยิ่งใหญ่ คือยอมแม้กระทั่งเสียสละเขาให้กับคนที่เหมาะสมกว่าหลอนอันดับ4ี่คืออุปการะหลอนเริ่มนับถือเขาจากความแม่นยำในการทํานายรวมทั้งที่เขาสอนให้รู้ว่าคําทํานายไม่จําเป็นต้องแม่นยำเสมอไปเพราะคําทํานายเพียงบอกว่าผลกรรมที่ทําไว้ในอดีตกําลังจะออกดอกออกผลอย่างไรแต่หากมีกรรมในปัจจุบันที่ส่งน้ําหนักเพียงพอจะคานการหรือแทรกแซงของเก่าได้แล้วชะตาก็อาจถูกดัดแปลงเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีหรือเปลี่ยนจากช้าให้กลายเป็นเร็ว นั่นหมายความว่าอุปการะไม่ใช่เพียงสอนหล่อนให้เชื่อเรื่องกรรมแต่ยังเข้าใจเหตุเข้าใจผลทําให้หล่อนรู้ว่าหน้าที่แท้จริงของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่การเสียดายอดีตไม่ได้อยู่ที่การอยากย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรที่ผ่านมาแล้วแต่อยู่ที่การเห็นค่าของปัจจุบันซึ่งยังอยู่ในมืออยู่ในการตัดสินใจว่าจะเลือกก่อกรรมอันใดการที่จ้ามีโอกาสรู้จักและคบหาสนิทกับกาลยานามิตรเป็นเพราะกรรมเก่าแบบไหนคะเพราะเคยมีครูที่ดี เคยอยู่ในโอวาทของพวกท่านมาก่อนหนูเคยมีโอกาสพบพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ได้ทําบุญกับพวกท่านและเหล่าสาวกของพวกท่านรวมทั้งเลื่อมใสศรัทธาปรารถนาจะดํารงตนอยู่ในเส้นทางธรรมอันถูกต้องและสว่างแจ้งไปเรื่อยๆตราบเท่าเข้าถึงพระนิพพานพังกรรมในชาตินี้เลยจัดสรรคนดีๆมาเป็นป้ายบอกทางมากมายโดยไม่ต้องเสาะแสวงหาล้านดาวรับฟังด้วยความปลื้มปิติงานทุกครั้งที่ฟังธรรมแล้วเกิดปัญญา เกิดความเข้าใจเห็นแจ้งแทงกูสนธรรมจ้าจะอธิฐานซ้ำไปเรื่อยๆว่าขอให้ได้เลื่อมใสและมีโอกาสใกล้ชิดผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบไปถูกพบถูกชาติอุปการลาพยักหน้านั่นก็จัดเป็นการเตรียมสเสบียงเดินทางไกลที่ฉลาดการอธิฐานซ้ำๆจะตอกย้ำให้เราอยู่ในร่องในรอยเดิมมีพลังนวลเหนียวอย่างใหญ่แม้จะถลายพลาดคลาดเคลื่อนออกนอกเส้นทางบ้างก็จะกลับมาได้อย่างรวดเร็วเออาจารย์คะ จะพบครูดีเพราะเคยนับถือและอยู่ในโอวาทของครูดีมาก่อนและแบบนี้ถ้าอาดีตชาติใครไม่เคยมีครูดีหรือเชื่อครูผิดชาตินี้จะทำยังไงล่ะคะไม่แปลว่าเขาหมดสิทธิ์พบทางสว่างตรงทางหรอกหรือก็อาจเจอได้แต่ไม่ใช่แบบจัดวางใส่ผานมาประเคนเหมือนอย่างหนูนกลไกในโลกมนุษย์ที่จะพาเราไปพบครูนั้นได้แก่เสียงร่าลืออย่างที่พระพุทธองค์ตรัสว่า สัตบุรุษย่อมปรากฏในที่ไกลหมายความว่าชื่อเสียงของท่านคําสอนดีๆของท่านย่อมกระจายออกไปกว้างไกลจากปากต่อปากจากสื่อต่อสื่อจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะรักดีอยากเงี่ยหูฟังครูคนไหนแต่ครูเต็มไปหมดแล้วก็มีชื่อเสียงร่ําลือระบือไกลกันทางนั้นนี่คะ่ะมองกวาดไปเห็นคละกันมั่วไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะพลาดไปเจอคนนําทางลงนรกเข้า แต่ละคนทำกรรมมาอย่างไรกรรมก็จะจูงไปพบครูที่สอดคล้องกับเส้นทางนั้นคนไทยจำนวนมากเคยทำบุญในร่มโพพุทธศาสนามาก่อนตราบใดพุทธศาสนายังไม่สาบสูญไปจากประเทศตราบนั้นเด็กไทยที่เพิ่งลืมตาดูโลกก็ได้ชื่อว่ามีโอกาสเห็นประตูสวรรค์นิพพานกันอยู่ส่วนจะเข้าทางจริงหรือไม่ก็สุดแท้แต่ใครจะขวนขวายแค่ไหน ทุกวันนี้น้อยคนจะตระหนักว่าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนใครๆยังเข้าเฝ้าท่านได้เพราะยังมีสาวกที่ซื่อสัตย์กับพระองค์จดจําและสืบทอดคําสอนตรงๆของพระองค์อยู่อีกมากอีกทางพระไตรปิฎกก็ยังอยู่โยงคงกระพันไม่ถูกทําลายให้สูญหายไปไหนแล้วจะมีอะไรเป็นหลักเป็นเครื่องประกันคะว่าศึกษาธรรมะศึกษาเรื่องกรรมไปแล้วจะไม่หลงทางตอนนี้ยังมีม่านอากุศลบังตาคนเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าครูคนไหนนําทางไปสว่าง ครูคนไหนนำทางไปมืดเพราะความมืดด้วยกันย่อมยกย่องกันและกันว่าเป็นแสงสว่างเป็นทางที่ใช่ลานดาวตรองแล้วคลางรับเบาๆเพราะจําได้ว่าเมื่อหล่อนหน้ามืดตามัวด้วยความไฟต่ําอยู่นั้นแม้มาวรนทาและคนรอบตัวเพียนพูดให้สํานึกอย่างไรบอกทางสว่างกันคอแทบแตกขนาดไหนก็ไม่อาจเจาะ ก, กาแพงแปดทิศของคุกที่ขังหล่อนไว้กับความมืดมนอนทการได้เลยแปลว่าถ้าเจอครูดีขนาดที่ใจเรายังมืดบอดยังทําผิดศีลผิดธรรมอยู่เป็นนิด ก็เท่ากับพลาดโอกาสทองไปใช่ไหมคะใช่สรุปคือเราจะรู้ได้ว่าคําสอนไหนถูกไม่โดนใครหลอกพาไปลงนรกก่อนอื่นต้องมีดีอยู่ก่อนจิตใจพร้อมจะทําตัวเป็นพานทองรองรับของสูงบ้างแล้วใช่ว่าอย่างนั้นก็เหมือนงู ก, กินหางเลยสิคะอาจารย์จะดีได้ต้องมีครูสอนถูกแต่จะนับถือครูสอนถูกได้ก็ต้องมีดีเสียก่อนเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องมีดีอยู่บ้างแล้วการที่วิญญาณจะปฏิสนธิในท้องมนุษย์ได้นั้น จิตต้องเรืองสว่างเป็นกุศลประเภทจิตมืดมืดไม่รู้ผิดรู้ชอบนั้นเข้าท้องมนุษย์ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นถือว่าโดยพื้นฐานทุกคนมีดีมีเหตุผลมีความสว่างเป็นทุนเดิมอุดหนุนอยู่ก่อนขอแค่ไม่ไปสร้างเรื่องรายๆขึ้นเป็นม่านอากุศลบงังตาบางังใจในระหว่างมีชีวิตเสียอย่างเดียวเมื่อพบกัญยาณมิตรเช่นพระพุทธเจ้าเห็นท่านเป็นผู้ดำรงตนอยู่ในความไม่เบียดเบียนสอนเรื่องการไม่เบียดเบียน และจะรณัยผลของการไม่เบียดเบียนได้อย่างละเอียดละออก็ย่อมเกิดความเลื่อมใสนับถือและบอกต่อกับลูกหลานได้แล้วลานดาวเปิดสมุดพกจดคําว่าไม่เบียดเบียนไว้เป็นไอเดียพื้นฐานของหนังสือใหม่รวมทั้งเขียนหวัดบันทึกกิ่งก้านสาขาความคิดที่งอกเงยขึ้นฉับพลันคือตั้งข้อสังเกตว่าโดยพื้นฐานนั้นมนุษย์เจอใครที่สอนการไม่เบียดเบียนไม่เขีนค่าบูชายันไม่สั่งวอยตนเส้นสงครามกิเลสก็ย่อมรู้สึกแต่แรกว่าเป็นคําสอนที่ยืนพื้นอยู่บนความถูกต้อง แต่ถ้ากำเก่าส่งไปอยู่ในเผ่าพันธุ์ที่ถือกำเนิดจากความเกลียดชังความครุ้นคิดอาฆาตความมุ่งมา่ทำร้ายพวกเขาย่อมประสบแต่สิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ที่บันดาลโทสะไปวันๆต่อให้พวกเขามีาศาสดาผู้สอนให้รักสงบก็อาจอยากลักลอบดัดแปลงคำสอนเดิมให้เป็นตรงข้ามเสียพอร่างไอเดียในการเขียนเสร็จหญิงสาวก็ถอนใจมองย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กจะมีแต่เบียดเบียนชาวบ้านด้วยกายวาจาใจมาตลอด เพราะความทนงความหลงตัวและความอยากเหนือคนอื่นนิสัยเสียเสียทนองนี้จะติดตัวไปก่อเรื่องทุกครั้งที่เกิดใหม่เลยหรือเปล่าคะอาจารย์กรรมเก่าจะพยายามรักษาเราไว้ในเส้นทางเดิมด้วยการส่งเรามาเกิดในสิ่งแวดล้อมที่บีบให้ต้องมีพฤติกรรมเหมือนเหมือนเดิมแต่กิเลสตัณหาจะบีบให้เราต้องตกต่ำลงกว่าที่เคยเสมอหนูเคยทาทานมามากกรรมจึงส่งให้มาเกิดในบ้านผู้มีอันจกิน เท่ากับเปิดโอกาสให้ทำทานได้อีกมากๆโดยไม่ต้องกังวลว่าเราเองจะหมดไหมแต่เพราะคนเรามีกิเลส ช, ชื่อโลภะจู่ๆเมื่อลืมตาดูโลกแล้วเห็นตนมีทรัพย์มากโลภะก็โดนใจให้อยากเพิ่มผุนให้หลนๆยิ่งขึ้นไปเพราะทุกคนจะพบตรงกันว่าทรัพย์คืออำนาจใหญ่ในโลกเงินยิ่งมากยิ่งทำตามอำเภอใจได้มากมีหัวมาก้มให้เหยียบมากลานดาวฟังแล้วเหม่อไปพี่ก่อนหลอนเคยอยากิมรสอานาจวาสนา และความรูร่ร้าของความเป็นเศรษฐีนีพันล้านอยากผลสภาพลูกสาวขี้ขอของเศรษฐีหลายร้อยล้านแต่ความปรารถนาจะทํามหาทานเป็นแสนเป็นล้านยังไม่เคยแวบผ่านมาในหัวสักหนท่านบารมีเก่าในชาติก่อนส่งหล่อนมารวยจริงแต่ทรัพย์สมบัติที่วางกองตรงหน้าก็ทําให้หล่อนงกจริงเช่นกันแต่จะว่าไปหล่อนก็เริ่มมีน้ําใจคิดให้โดยไม่หวังผลตอบแทนบ้างแล้วเริ่มจากแอบโอนเงินค่าหนังสือทั้งหมดให้กับอมริศและมาวันทารวมทั้งตั้งใจว่า เร็วๆนี้ที่กําลังจะเป็นคุณนายของบริษัทนีโอเทรนหล่อนจะออกรถป้ายแดงงามๆให้ครูผู้อยู่ตรงหน้าสักคันพร้อมจ้างคนขับประจําครบเสร็จแต่ทว่านั่นเพราะความสํานึกคุณคนมากกว่าความอยากเจือจานไปในวงกว้างโดยปราศจากเงื่อนไขพูด ง, ง่ายๆสั้นๆคือชาตินี้หล่อนยังไม่ได้เริ่มต่อบุญเก่าในเรื่องทานจริงจังนั ก, นกเห็นทีจะต้องเริ่มวางแผนเอานิสัยเดิมในอดีตชาติกลับมาทำบรารมีต่อกันใหม่อีกอย่างอุปการะกล่าวสืบต่อหนูเคยรักษาศีลมาสะอาดหมดจด กำจึงส่งให้มาคลองอัตภาพหมดจดงดงามเท่ากับเปิดโอกาสให้เห็นความสวยสะอาดทางกายแล้วบันดาลให้คิดอ่านแต่ในทางดีมีวาจาไพเราะทำตัวน่ารักน่าเอ็นดูเป็นเครื่องประดับโลกแต่เพราะคนเรามีกิเลสชื่อโมหะจูจูจพอโตขึ้นเป็นสาวแล้วเห็นหนุ่มๆ ม, มาปลนเปล่อเอาอกเอาใจพนาพนอใครต่อใคร ย, ยอมทุกอย่างเพียงเพื่อได้ชมโฉมเราอย่างใกล้ชิดนานๆความยิงธนงก็งอกเงยขึ้นสังสมความหลงตัวเองมากขึ้นกระทั่งอัตตาโตขึ้น จนอยากสยบโลกทางใบด้วยความสวยของเราถึงเวลานั้นภูมิต้านทานกิเลสตันหาของเราจะต่ําอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็ต้องอารวาทให้พินาศกันไปข้างศิ่งละธรรมจัญญาไม่ต้องไปสนแล้วอยากได้ก็ต้องเอาให้ได้ยิงเาวกรับพลิบตาสองสาหนคล้ายถูกปลุกให้นึกออกว่าชีวิตนี้เพิ่งทําอะไรลงไปบ้างธรรมชาติเล่นแบบนี้เองนะคะอนุญาตให้ขึ้นสูงเป็นเส้นตรงอย่างเดียวไม่ได้ต้องส่งแรงรบกวนมาดึงดูดให้กลับหล่นลง แม้ไม่ถึงขนาดกลับทิศจากเหนือลงใต้อย่างน้อยก็เบี่ยงเบนให้ต้องไปทางตะวันตกขณะเดียวกันธรรมชาติก็ไม่ปล่อยให้ลงต่ำท่าเดียวจะมีแรงช่วยมาหนุนให้กลับขึ้นสูงบ้างอย่างถ้าคนเราหน้าตาอับปะลักเพราะกำชั่วเก่าๆแต่ปางก่อนจิตก็อาจถูกบีบให้เจียมตัวอันเป็นเชื้อของความอ่อนน้อมและพัฒนาไปสู่ความมีใจเป็นกุศลหน้าตาไม่ดีแล้วยังคิดไม่ดีต่อก็มีถมไปแล้วแต่การสั่งสมนิสัยมากกว่าอีกอย่างสํานึกของคนเราพร้อมจะเกิดขึ้นเสมอ เมื่อไรสำนึกผิดหรือห้ามใจได้ชาติเดียวกันนั้นก็กลับดีได้ใหม่ยังหนูก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นนางยักษ์อัปปลักษณที่ไหนเสียก่อนกลับใจนี่ถ้าไม่เจอมิตรดีและครูดีป่านนี้ก็ยังไม่หายโง่าบัางคะชีวิตมนุษย์ในแต่ละชาติก็อย่างนี้แหละจะให้ดีพร้อมมาแต่เกิดไม่ได้ทุกคนมีคุณสมบัติอันเป็นตัวตั้งจะยากดีมีจนจะขี้เร่เก๋ไก่แต่ละคนต้องเรียนรู้เอาว่าควรใช้คุณสมบัติที่ตนมีอยู่อย่างไรในการขุดทองทางวิญญาณ ลานดาวก้มหน้าก้มตาจดพักหนึ่งก็ชะล o มือช้าลงสู่การหยุดอย่างได้คิดก่อนเขียนจบถ้ามองคนคนหนึ่งเป็นเพียงจิตวิญญาณดวงหนึ่งก็เห็นเลยนะคะว่าคนเราเกิดเป็นอย่างหนึ่งเพื่อตายไปสู่ความเป็นอีกอย่างหนึ่งได้หลายครั้งเหลือเกินสมัยเด็กจ้าเคยทั้งเกเรเรียนไม่เก่งและทั้งรักดีขยันขันแข็งจนเป็นที่หนึ่งของรุ่นเคยฝันหาเจ้าชายแล้วกลายไปเป็นหญิงรักหญิงก่อนจะกลับมารักผู้ชายได้อีกเคยเห็นแก่ตัวจนหน้าเขียวเดี๋ยวนี้เห็นใครต่อใครแล้วรู้สึกสงสารอยากช่วยไปหมด พภูมิมนุษย์นี่แปรปรวนไปมาได้ซับซ้อนจังค่ะอยากรู้ว่าพบภูมิอื่นยกย้อนได้อย่างนี้บ้างไหมไม่หรอกเพราะพบอื่นส่วนใหญ่เมื่อเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอย่างไรก็จะคงความเป็นอย่างนั้นไว้ค่อนข้างสม่ําเสมอตลอดชีพแต่พอพบมนุษย์มีธรรมชาติของวัยเด็กวัยทํางานและวัยชรามาเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มจากไม่ให้รู้อะไรเลยขยิบขึ้นสู่การลองผิดลองถูกกระทั่งพัฒนาไปสู่สภาพตกผลึกของการเชื่อและการรู้สึกนึกคิด หนึ่งชาติของมนุษย์จึงเหมือนพบใหญ่ที่ซอยแบ่งออกเป็นพบย่อยๆได้มากมายเหลือจะนับประโยคสุดท้ายของอาจารย์สกิดให้เกิดความสนใจล้านดาวจึงจดไว้เป็นไอเดียคือพบใหญ่นั้นอาจครอบรวมเอาพบย่อยๆไว้ได้มากมายขอเพียงพบใหญ่นั้นมีปัจจัยเอื้อให้เพียงพอจดไอเดียเสร็จก็เงยหน้าขึ้นกล่าวชักรู้สึกว่าพบมนุษย์เป็นพบที่น่าสนใจแล้วสิคะพบที่เรียนรู้ได้แม้แต่พบของสัตว์ฉลาดเป็นพบที่มีความหลากหลาย แล้วก็พัฒนาจากความเป็นอย่างหนึ่งไปสู่ความเป็นอีกอย่างหนึ่งได้ตลอดเวลาอย่างพวกลิงชิมแปนซีฝึกดีๆฉลาดกว่ามนุษย์บางคนเสียอีกน่าเสียดายแต่ว่าฉลาดอย่างไรก็ติดเพดานของภพภูมิเดรดชานฉลาดแค่ไหนก็ไม่รู้ทางสว่างเพื่อเลือเล่อนภพเลื่อนภูมิได้ง่ายๆตอนนี้เหมือนเห็นอดีตชาติของตัวเองเลยค่ะสมัยยังวุ่นวายกับการค้นหาตัวเองช่างเป็นวิญญาณที่เร่าร้อนกับการหาภพภูมิอาศัยพอพี่เอิญชี้ทางสว่างหางานให้ทําหาตัวตนให้เป็น ก็ค่อยกลายเป็นวิญญาณมีพบมีภูมิกับเขาหน่อยแต่ตอนตายจริงเผาจริงก็ต้องเคลื่อนจากความเป็นมนุษย์ไปสู่ความเป็นอย่างอื่นอีกด้วยแรงเคลื้ยงของกรรมอุปการะหัวเราะด้วยความรู้สึกหลากหลายลานดาพูดสกิดให้เขาเห็นพบชาติเบื้องหน้าของหลอนเป็นฉากฉากโดยไม่ต้องเจตนาดูแต่เขาเก็บงาไว้ไม่พูดถึงยังคงสนทนากับหลอนต่อเป็นปกติ หนูเอาไปเขียนเถอะเราจะเข้าใจชาติหน้ามากขึ้นถ้าทําความเข้าใจชาตินี้ดีๆและมองแต่ละช่วงของชีวิตโดยความเป็นพบย่อยๆที่วิญญาณของเราเข้าไปยึดเห็นแต่ละพบว่าคือสภาวะที่ไม่แน่ไม่นอนขึ้นอยู่กับกรรมที่เราก่อและขึ้นอยู่กับความสมัครใจที่เรายอมติดอยู่กับพบหนึ่งๆเพิ่งรู้สึกเดี๋ยวนี้เองค่ะนี่จ้าเป็นวิญญาณเร่ร่อนไปเรื่อยอย่างปรัศจากจุดหมายปลายทางใช่ไหมคะกรรมแต่ละละลอกซัดไปสู่ฝั่งใหม่ก่อกรรมอีกแล้วถูกซัดไปสู่ฝั่งใหม่อีก ใช่วิญญาณทั้งหลายถูกสะกดโดยผลกรรมให้หลงฝันว่าตนเป็นอย่างนี้ตนอยากเป็นอย่างนั้นแล้วก็เคลื่อนไปเรื่อยโดยมีหลักกรรมคือทุกคนได้อย่างที่ทำไม่ใช่ได้อย่างที่อยากหากไม่มีใครบอกให้รู้ชัดๆว่าฝั่งสุดท้ายอันเป็นที่หยุดนิ่งมีอยู่และพิสูจน์ได้ขณะยังเป็นมนุษย์สภาววิญญาณก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยโดยปราศจากความแน่นอนว่าเมื่อไร่จะตกตาดีเมื่อไหรจะตกตาร้ายชักอยากเข้าให้ถึงแก่นสารอันเป็นที่สุดของพุทธศาสนาแล้วสิคะ อาจารย์ไม่เห็นสอนจะมั่งเลยหญิงสาวทำเสียงอ้อนถ้าผมให้หนูพูดรวบรัดชีวิตคงหนูทั้งชีวิตเป็นคำคำเดียวหนูจะเลือกคำว่าอะไรหญิงสาวเอียงหน้าเหลือบตาคิดนิดหนึ่งก่อนเบนกลับมาทอดสายตามองอาจารย์ยิ้มยิ้มอย่างรู้ล่วงหน้าว่าตนโดนดักทางไว้อย่างไรพูดถึงชีวิตจ่าทั้งชีวิตด้วยคำคำเดียวก็คงเป็นสนุกมั่งคะทั้งๆที่เพิ่งทุกข์จนแทบอยากฆ่าตัวตายมาเมื่อปีก่อนเนี่ยนะลานดาวหัวเราอสดใสเพราะอุปการะเอ่อยอย่างที่หล่อนเดาวไว้เป๊ะ อาจารย์ถามคําเดียวจ้าเข้าใจไปถึงไหนตอนไหนแล้วค่ะจ้าแค่ตอบตามความรู้สึกที่แท้จริงจากใจในขณะนี้เห็นตัวเองจแจ่มแจ๋วเลยว่ากําลังเพลินโลกสนุกกับงานสนุกกับคนรักสนุกกับชีวิตใจก็ต้องเห็นภาพรวมของตัวเองทั้งหมดเป็นความสนุกและตราบใดที่ยังเห็นชีวิตเข้าข่ายเป็นสุขก็ต้องหวงแหนไว้และอยากตะกายหาสุขใหม่ๆมาเพิ่ม ซึ่งนั่นหมายความว่าต้องเคลื่อนจากพบหนึ่งไปสู่ความเป็นอีกพบหนึ่งแล้วแล้วเล่าๆโดยไม่มีวันคิดหาทางสละกความยึดติดต่างๆอย่างแท้จริงเลยอืมรู้ดีหมดแล้วนี่ใครบอกรู้หมดรู้แค่เล็กน้อยแต่เข้าเป้าเพราะอาจารย์ชีต้ตางหะคะหญิงสาวยิ้มระรื่นคล้ายคนไม่เคยรู้จักทุกมาก่อนถ้าไม่ถูกจี้ให้คิดย้อนมาถามตัวเองว่าเป็นใครหรือกําลังทําอะไรก็เหมือนโดนเส้นผมบางภูเขาเหมือนกันนะคะเห็นความสําคัญของการตั้งโจทย์เดี๋ยวนี้แหละ เป็นมนุษย์ที่ช่างคิดนีอาจตั้งโจทย์กันได้ไม่จํากัดแต่จะมีโจทย์อยู่เพียงไม่กี่ข้อเท่านั้นที่บรรดาลให้เราฉุกใจหาคําตอบเพื่อใช้ชีวิตที่เหลือให้คุ้มสุดอุปการะพยักหน้ารับนั่นสิคุณมีแต่ความคิดรอเจอแฟนตอนเย็นน่ะผมว่าหมดสิทธิตั้งโจทย์ชีวิตแบบพูดแท้แน่ๆน่ลานดาวหัวเราะโยกตัวไปมาเขินเขินเพราะทราบว่าอาจารย์ดักใจตนซึ่งอดคิดถึงสารณะเป็นระยะระยะไม่ได้เนื่องจากเพิ่งทราบชัดด้วยความอิ่มเอิมเปรมใจว่า เขาคือเนื้อคู่ที่แท้แต่พอโดนกระตุกหล่อนก็สำรวมระวังจิตให้จดจอ่อกับการสนทนาเต็มที่ยิ่งขึ้นเมื่อยังมีโจทย์แบบพูดแท้ไม่ขึ้นใจก็ต้องหาโจทย์อื่นมาพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีแก่ใจตั้งโจทย์ข้อสุดท้ายใช่ไหมคะอาจารย์ก็ต้องอย่างนั้นแล้วพุทธศาสนามีวิธีใช้ชีวิตไปตามลำดับจนกว่าจะซึ้งเรื่องของทุกข์แล้วใคร้ายวนจรงจิงจังถึงการดับทุกข์ไหมคะก็มีสอนเรื่องการอธิษฐานและการพิจารณาโดยแยบคาย กำหนดทิศให้จิตค่อยๆเลื่อนขั้นอยู่เหมือนกันเช่นเมื่อทำทานครั้งใดท่านให้มันอธิษฐานว่าขอจิตเราจงสละความยึดมั่นถือมั่นผิดผิดได้โดยไม่เสียดายเช่นเดียวกับที่ไม่เสียดายข้าวของซึ่งทำทานไป น, นั้นและเมื่อมีเหตุการณ์ยั่วยูให้ผิดศีลข้อใดแล้วใจเราแ น, แน่ๆพอจะหักห้ามท่านก็ให้ระลึกว่าผู้มีศีลย่อมไม่เดือดเนื้อร้อนใจผู้ไม่เดือดเนื้อร้อนใจย่อมมีจิตตั้งมั่นได้ง่ายผู้มีจิตตั้งมั่นได้ง่ายย่อมรู้เห็นตามจริง ไม่มีความบิดเบี้ยวทางจิตเหมือนคนอื่นนี่แหละทําทานรักษาศีลด้วยอาการอย่างนี้เรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจะเริ่มมีความคิดเข้าเป้าใหญ่ของพุทธศาสนาไปเองลันดาวริบจดยิกก่อนเงยหน้าขึ้นถามใหม่อย่างจะมีสิทธิ์อธิฐานแล้วทําได้ภายในชาติเดียวหรือจําเป็นต้องสั่งสมกันข้ามภพข้ามชาติคะจิตคนนะ่ะเมื่อทําบุญแล้วสั่งสมแรงอธิฐานด้วยใจจริงซ้ําๆเป็นประจําก็ไม่ต้องรอชาติหน้าให้ไกลเกินรอหรอกคิดง่ายๆอย่างนี้ช่วงที่หนูดือ้อๆอยู่นะ่ะ ถ้าใครมาขอร้องอ้อนวอนให้อ่อนข้อรางมือในเรื่องที่หนูไม่เต็มใจหนูจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับเขาหญิงสาวทำหน้าสลดตอบเสียงอ่อยแทบไม่ต้องคิดก็ไม่ยอมสิคะต่อให้รู้ว่าเราเลวต่อให้รู้ว่าเขาเต็มไปด้วยเหตุผลขนาดไหนในเมื่อใจไม่ยอมเสียอย่างพูดเท่าไหร่ก็ไรประโยชน์นั่นแหละจิตมีแต่ตัวไม่ยอมเป็นกรอบเป็นกำแพงล้อมอยู่หนาทึบขนาดนั้นถ้าหนูแค่ท่องซ้ำๆถี่ๆว่ายอมยอมยอมยอ ม, ยอมเพียงไม่นาน เกลอกและกำแพงที่ตั้งกั้นเหตุผลทั้งหลายไว้ก็จะอ่อนยวบลงทันตาเห็นนี่สะท้อนว่าใจเราพร้อมจะเป็นไปตามความคิดที่สั่งสมซ้ำๆลานดาวยิ้มกว้างเห็นเป็นอุบายที่น่าจดไว้แนะนําคนดือ้อก้มลงบันทึกข้อความอึดใจเดียวก็เงยหน้าขึ้นถามต่อและความเยโสโอหังทนงด้วยความสําคัญตนว่ายิ่งใหญ่ละคะจะให้ใช้อุบายอะไรดีที่สะกดจิตให้เปลี่ยนแปลงไปในทางอ่อนน้อมลงอุปการะอย่างทราบว่า ลานดาวถามด้วยความอยากได้อุบายไปกล่อมกล่าวตนเองเนื่องจากหล่อนเริ่มมีคนนับถือมากขึ้นและประสบความสำเร็จรวดเร็วจนกิเลสบุกเข้ามาทุกทิศ ท, ทุกทางจนตั้งสติรับแทบไม่ทันยิ่งวันอัตตายิ่งโตเขาจึงแย้มริมฝีปากยิ้มแนะนำด้วยความปราณีพอได้สติว่ากำลังถือดีมีมานะให้หนูยกมือพนมไหวเดี๋ยวนั้นเป็นการใช้กิริยาทางกายสยบความพยองของจิตนอกจากพนมมือไหวแล้ว ก็ควรระลึกถึงผู้น่ากล่าบไหว้อย่างพระพุทธเจ้าด้วยเสร็จแล้วเปรียบเทียบเอาว่ามืดถือเพราะอัตตาเป็นอย่างไรสว่างสวัยเพราะความอ่อนน้อมเป็นอย่างไรและระหว่างมืดกับสว่างอย่างไหนดีกว่ากันไม่นานจิตจะฉลาดเลือกความอ่อนน้อมไปเองโดยไม่ต้องแกล้งฝืนลานดาวเบิกหน่วยตากว้างจะเพิ่งนึกออกว่าฝรั่งที่อยู่เมืองไทยนานๆแตกต่างจากเดิมตรงไหนนอกจากปรับระบบการคิดพูดเป็นภาษาไทยกับมีร่างกายอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศแบบไทยๆแล้ว ก็มีเรื่องของจิตอ่อนน้อมเพราะไหว้เป็นนี่เองที่เปลี่ยนความกระด้างภายในให้นุ่มนวลลงอุปการะพยักหน้าการพนมมือไหว้เป็นกิริยาของวิญญาณชั้นสูงกรรมสาคัญที่ทําให้จิตได้ช่องไปอยู่ในวรนณะประณีตคือความนอบน้อมถ่อมตนยิ่งถ้าเรายอมอ่อนให้กับบุคคลอันควรเคารพสูงสุดเช่นพระพุทธเจ้าเกิดชาติไหนสมัยใดจะไม่พลัดตกไปเป็นพวกชั้นต่ําและไม่ตกเป็นเบี้ยล่างใต้อํานาจของใครง่ายๆแต่ก่อนจะไม่เข้าใจนัก นึกว่ายกมือไหว้ก็เป็นอันเสร็จพิธีระยะหลังพอรู้เหมือนกันค่ะว่าใจต้องน้อมเคารพด้วยการไหว้แต่ละครั้งถึงจะคล้ายหยดกระปุกสั่งสมความอ่อนโยนได้เรื่อยๆจนกว่าจะเต็มวิญญาณเป็นอย่างนั้นการไหว้แบบกระโดกกระเดกหรือไหว้ไปก็แอ บ, บคิดด่าไปนอกจากไม่ได้บุญแล้วยังเป็นกรรมที่ก่อ น, นิสัยไม่จริงใจกลายเป็นคนสองหน้าตาสอนได้อีกด้วยใครไม่มีผู้ควรเคารพอยู่ใกล้ก็ถือว่าขาดโอกาสแย่สิคะ ทำเนียมไทยถึงให้มีห้องพราไว้ในบ้านก็เพื่อมีโอกาสกลับองค์ปติมาแทนพระพุทธเจ้าแล้วก็มีธรรมเนียมไปลามาไหว้ทําความเคารพพ่อแม่อันเปรียบเหมือนพระในบ้านทำเนียมอันเป็นกรรมดีอย่างนี้เด็กรุ่นใหม่กลับเห็นเป็นภาระรุงรังหน้าขบขันกันไปหมดลานดาวสายหน้าดิกส่องสำรวจไปตรงไหนอะไรๆก็เป็นกรรมไปทั้งนั้นแบ่งให้เกิดชันวรนนัททางวิญญาณได้ทั้งนั้นคนเราถึงหน้าตาแตกต่างบุคลิกแตกต่างฐานะแตกต่าง อำนาจบารมีแตกต่างประสบโชคเลอะแตกต่างมีจังหวะชีวิตที่สำเร็จและล้มเหลวแตกต่างทั้งหลายทั้งปวงก็เพราะรวบรวมความแตกต่างยิบย่อยในการคิดการพูดการทามาประสานกันนี่แหละการผสมผสานของวิบากกรรมนั้นเป็นไปได้นับอนันต์ผู้ที่รู้ทันความจริงนี้จะเห็นกุศลทั้งปวงเหมือนเครื่องประดับแล้วเร่งสั่งสมความดีในแบบของตนรวมทั้งกวาดเก็บกรรมดีอื่นที่ยังไม่มีในตนมาเพิ่มให้มากขึ้นไป แล้วเขาจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างจากคนรอบข้างไปทุกชาติทุกภพยิงสาวนึกอยากไหวบุรุษตรงหน้าก็พนมมือไหวขึ้นมาเฉยเฉยขอทําบุญกับผู้ควรทำหนึ่งทีค่ะแล้วหล่อนก็ยิ้มแช่มชื่นแบบอิ่มบุญแต่ก่อนจะมองว่าต้นไม้แตกต่างกันได้โดยไม่ต้องทํากรรมคนเราต่างกันบ้างก็ไม่เห็นแปลกตรงไหนเฮอ้อธรรมชาตินี้จัดสรรปัจจัยมาให้เราคิดนอกลู่นอกทางสัจจะความจริงไปได้เรื่อยเลยนะคะกรรมจะไม่งอให้เราเชื่อกฎของเขาหรอก ตรงข้ามสําหรับคนส่วนใหญ่จะถูกแกล้งบังตาไม่ให้เห็นกฎหรือทําให้ดูถูกกฎแห่งกรรมไปเลยด้วยซ้ําการเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนี่ผิดหรือเปล่าคะผิดซี่กฎของกรรมก็อยู่ส่วนกฎของกรรมกฎของพืชก็อยู่ส่วนกฎของพืชนอกจากนั้นกฎของจิตกฎของฤดูกาลกฎของฐานะกฎของโลกและจักรวาลต่างก็แยกส่วนไปต่างหากจากกันหมดกฎของกรรมเพียงพาให้เราต้องไปพัวพัน หรือต้องไปเกี่ยวข้องแบบอ้อมๆกับกฎอื่นอย่างเช่นส่งให้ไปเกิดใต้เลิกหรืออิทธิพลของดวงดาวดีร้ายส่งให้ไปอยู่ในเขตที่มีฤดูกาลมากน้อยส่งให้ไปอยู่ในประเทศที่ชุ่มชื้นหรือแห้งแล้งพูดง่ายๆว่ากรรมมีหน้าที่แค่นำไปเกิดหรือเกิดแล้วให้มีสิทธิ์เลือกว่าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้แค่ไหนทุกอย่างที่เราเห็นได้ยินและสัมผัสล้วนแล้วแต่เป็นภาชนะรองรับผลกรรมก็จริง แต่พวกมันก็มีกฎธรรมดาของตัวเองอยู่ไม่ต้องอาศัยอำนาจดนบรรดาลของกรำใครหรอกแล้วกฎแห่งกรรมที่นํามาเกิดเป็นชายและหญิงล่ะคะจ๋ว่าจะถามอาจารย์ด้วยความอยากรู้มานานแล้วทําอย่างไรจึงเป็นชายทําอย่างไรจึงเป็นหญิงตามความเข้าใจของหนูผู้ชายคืออะไรผู้หญิงคืออะไรลานดาวชะงักเป็นนิดหนึ่งเพราะนึกไม่ถึงว่าอุปการะจะถามกลับเช่นนั้นแต่แน่นอนว่า อุปการะคงไม่ถามเล่นเอาสนุกอาจารย์ของหล่อนไม่เคยถามลองภูมิทุกคําล้วนมีความหมายกระตุ้นให้คิดในทางใดทางหนึ่งเสมอหญิงสาวจึงใคร่ครวนก่อนตอบอย่างระมัดระวังถ้าพูดถึงร่างกายภายนอกก็คงวัดกันด้วยอวัยวะต่างๆทั่วองค์ขาพยบซึ่ ง, สงแสดงลักษณะทางเพศที่เป็นตรงข้ามกันฝ่ายชายเอื้อให้นําหรือรุกฝ่ายญิงเหมาะจะตามหรือรับแต่ถ้าพูดถึงจิตใจภายในยิ่งรู้จักคนมากขึ้นเท่าไหร่จ้า ก, ก็ยิ่งเห็นเส้นแบ่งความเป็นเพศพล่เรือนลงทุกทีค่ะ ที่หนูตอบมาก็นับว่าเข้าเป้าแล้วเอาละเพื่อเข้าใจเรื่องกรรมที่ทําให้เป็นชายหรือเป็นหญิงอย่างทองแท้ก่อนอื่นเราควรย้อนกลับมาหาพื้นฐานความจริงเกี่ยวกับกายมนุษย์กันความจริงอันเป็นที่สุดเกี่ยวกับกายคือแรกสุดมันไม่ใช่ชายหรือหญิงแต่เป็นแค่การประชุมกันของกระดูกฉาบเนื้อบรรจุน้ําเลือดน้ําหนองมีไออุ่นกระจายตลอดร่างและเป็นที่ผัดเข้าผัดออกแล่นขึ้นแล่นลงของลมคือถ้าชําแหละออกมาเป็นกองกองจะไม่เห็นมีชายหรือหญิง เหลือแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นใช่ไหมคะหญิงสาวช่วยสรุปให้อย่างผู้ที่เริ่มมีความรู้ทางศาสนาในเชิงลึกพอสมควรแล้วนั่นแหละอุปการการับผงกศีะรับหากศพใครเหลือแต่กระดูกที่ป่นแล้วหรือปรากฏแต่น้ําเลือดน้ำหนองกองไว้จะไม่มีใครบอกได้เลยว่านั่นเคยเป็นชายหรือเป็นหญิงเพศเป็นแค่ภาวะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นโดยกรรมบันดาลให้ดินน้ำไฟลมแสดงรูปชายหญิงชั่วคราวเข้าใจคะ่ะลานดาวรับฟังได้ไม่ยากนัก เนื่องจากพอมีฐานความรู้เชิงชีววิทยาอยู่บ้างปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ทราบดีว่าทารกในคลันมารดาเมื่อยังเป็นตัวอ่อนอยู่นั้นจะเริ่มต้นด้วยการมีอวัยวะเพศหญิงก่อนแต่ถ้าเซลล์ของตัวอ่อนมีคโครโมโซมเพศเป็นชายอวัยวะเพศแบบชายจึงปรากฏยื่นออกมาภายหลังส่วนถ้าเซลล์ของตัวอ่อนมีคโครโมโซมเพศหญิงอวัยวะเพศจะฝ่อตัวหายไปก่อนคลอดกล่าวให้ชัดคืออวัยวะเพศนั้นเดิมทีเคยเป็นอันเดียวกันนั่นเอง วิญญาณที่มาปฏิสนธินั้นถ้าพกเอาคุณสมบัติของบุรุษมาด้วยก็จะได้เป็นชายคิดง่ายๆว่ามีพลังกุศลหนักแน่นพอจะผลักอวัยวะเพศให้ยื่นออกไปและแสดงรูปภาวะอื่นๆให้ปรากฏโดยความเป็นชายลานดาวจดเฉพาะคําสําคัญคือเป็นชายได้ต้องมีพลังกุศลหนักแน่นพอสิ่งที่หลอนคลุ้นคิดอยู่ในหัวขณะนี้คือการเปรียบเทียบกันระหว่างความรู้ที่ได้รับจากโลกวิทยาศาสตร์กับความรู้ที่เพิ่งได้รับจากอุปการะ ถ้าถามนักวิทยาศาสตร์ว่าเหตุใดจึงเป็นชายก็จะได้คำตอบที่ชัดถ้อยชัดคำว่าเด็กบังเอิญได้รับโครโมโซม Y จากพ่อไปประกอบคู่กับโครโมโซม X ของแม่ยิ่งไปกว่านั้นนับวันวิทยาการยังมีสูตรสำเร็จที่หวังผลได้สูงถ้าอยากได้ลูกชายต้องใช้ไม้ตายท่าไหนเทคนิควิธีและเครื่องช่วยอันใดบ้างแพทย์แผนปัจจุบันจะระนายได้หมดว่าจะลดความบังเอิญลงให้เหลือน้อยที่สุดได้อย่างไร แต่ในมุมมองที่ต้องมีวิญญาณเป็นปัจจัยประกอบในการปฏิสนธิการวางแผนให้กําเนิดบุตรชายเป็นเพียงการตระเตรียมหัวโขนไว้อันหนึ่งรอวิญญาณที่พร้อมพอจะมาอาศัยสวมเท่านั้นสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมในแนวพุทธจนแก่กล้าพอจะยังรู้รายละเอียดของรูปนามก็ย่อมรู้ประจักษ์ใจว่าจักรวาล น, นี้ไม่มีเรื่องบังเอิญแล้วกรรมอะไรคะที่ทําให้เกิดพลังกุศลหนักแน่นพอจะได้เกิดเป็นชายไม่มีกรรมใดกรรมหนึ่งโดยเฉพาะหรอก ถ้าให้มองออกง่ายที่สุดก็คือวิธีคิดที่เกิดขึ้นเป็นประจำในขณะทำทานรักษาศีลนั่นเองล้านดาวฟังแล้วเข้าใจคำพูดของอาจารย์อยู่ร่างๆแต่ไม่ถึงขนาดกระจ่างเหมือนเห็นรูปด้วยตาจึงซักถามเพื่อเก็บรายละเอียดทำไมต้องเอาวิธีคิดขณะทำบุญเป็นตัวตั้งด้วยคะเพราะการทำบุญเป็นของใหญ่เป็นสิ่งครอบกรรนิสยัยและมักเป็นตัวกาหนดเส้นทางหลักในการเวียนว่ายตายเกิดวิธีคิดในขณะทาบุญเป็นอย่างไร ก็มีความน้มเอียงจะคิดแบบเดียวกันนั้นในขณะใช้ชีวิตประจําวันปกติไปด้วยลูกศิษย์สาวจดวลีวิธีคิดขณะทําบุญและ ว, วงเป็นดวงเด่นไว้ก่อนเงยหน้าถามอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างวิธีคิดขณะทําทานที่ส่งให้ไปเกิดเป็นชายได้ไหมคะก็ควรเป็นผู้ริเริ่มนึกอยากทําทานเองและชวนญาติสนิทมิสหายหรือคนรักไปทําด้วยจิตก่อนทําทานต้องมีความเลื่อมใสมั่นคงอย่างถ้าจะถวายสังฆทานนั้น ต้องรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ในการถวายไม่ใช่เห็นว่าการเตรียมของถวายเป็นภาระหรือเห็นการถวายเป็นเรื่องทิ้งคว้างเปล่าประโยชน์ต้องไม่มีความเสียดมเสียดายเงินทองและเวลาล่ำเวลาที่หมดไปกับสังฆทานและขณะเมื่อกําลังถวายสังฆทานจิตมีความเคารพมีความชื่นชมยินดีในบรรยากาศการถวายสุดท้ายหลังถวายสังฆทานเสร็จก็ไม่คิดเล็กคิดน้อยรักษาความรู้สึกชื่นมื่นซึ่งบุญได้ปรุงแต่งจิตแล้วนานที่สุดเท่าที่จะนานได้นี่แหละ ที่มาของความหนักแน่นในทานลานดาวคเฉพาะคำสำคัญบันทึกไว้ขณะเดียวกันยังดูผลรวมของอาการทางใจในการทำทานทั้งหมดที่อาจารย์กล่าวมาก็สำเนียกทกซบถึงความมั่นคงทางจิตเต็มอัตราใครนิ่งไม่กระสับกระส่ายในบุญได้อย่างนั้นจะให้ความรู้สึกเป็นแมนดีจริงๆจะเคยได้ยินว่าผู้ชวนคนอื่นทาบุญคนที่ไปร่วมทาบุญจะตามไปเกิดเป็นบริวารหรือคะ ผู้นำบุญจะเป็นผู้มีบริวารอันนั้นถูกแล้วแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นพวกที่ตามไปทําบุญด้วยกันหรอกงั้นคนที่เอาแต่ตามทําบุญมีใจนิยมในบุญแต่ไม่ริเริ่มเองและไม่เลื่อมใสในบุญเต็มกําลังแม้จะได้อันนี้สงจากทานมากมายเพียงใดก็ได้เกิดแค่เป็นหญิงหรือคะทํานองนั้นพวกคิดและคิดน้อย 2. จิต2ใจตอนแรกคิดเลือกของดีแล้วเปลี่ยนเป็นของคุณภาพด้อยกว่าในภายหลังกิริยาอาการคิดเทือกนี้แหละที่เป็นฝักฝ่ายของอิสตรี เมื่อจะถือกำเนิดเกิดใหม่พลังกุศลย่อมไม่หนักแน่นพอจะปฏิสนธิในเพศบุรุษและถ้าเอาผลเฉพาะปัจจุบันที่เห็นทันตาคือจะเป็นผู้คิดมากไปทุกเรื่องจุกจิกยุ่มยิมได้หมดกระทั่งเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเข้าใจชัดเลยค่ะลันดาพูดกลัวหัวเราะเพราะหล่อนเองมักเป็นเช่นนั้นเช่นเวลานึกอยากใส่ซองธนบุญพันหนึ่งก็ชอบเปลี่ยนใจอยากชักออกสักครึ่งต่างจากสารณะที่ตั้งใจทำพันธุ์แต่ถึงเวลาเอาเข้าจริงมักกลายเป็นหมืน่น แม้หล่อนทำบุญกับเขามาแค่สองสาหนก็เห็นนิสัยชนิดนี้ในเขาเด่นชัดจ้าคิดหยุ่มยิ้มในการทำทานของตัวเองบ่อยๆคงต้องปรับปรุงค่ะแต่เวลาทำบุญกับพี่นะนิสัยช่างคิดของจ้า ก, ก็ทําให้เขาได้ไอเดียดีๆแบบไม่เคยนึกมาก่อนเหมือนกันนะคะดีแล้วถ้าปรึกษาการทำบุญร่วมกันด้วยความปรองดองระหว่างทางไปและทางกลับไม่ทะเละาะเบาะแวงกันก็เชื่อขนมกินได้ว่าชีวิตคู่จะเป็นสุขเพราะทั้งสองจะปรึกษาปัญหาขัดแย้งอื่นๆได้ลงตัว เหมือนคุยกันในงานบุญนั่นเองว้าวดีจังที่ได้รู้เสียอย่างนี้จะจำไปบอกพี่นาค่ะความจริงถ้าเพิ่งคบกันแล้วอยากรู้ว่าพอไปด้วยกันได้ไหม <c oughs> ก็แค่ดูง่ายๆ <c oughs> ด้วยการทดลองทำบุญร่วมกันนี่แหละดูว่ามีใจเสมอกันในการคิดเห็นเรื่องค่าใช้จ่ายไหมดูว่าระหว่างเดินทางทำบุญมีเหตุให้ต้องขุนเคืองใจหรือเป็นปากเป็นเสียงกันไหมหากทุกอย่างราบรื่นหลายๆหนก็จะสอเขาชัดขึ้นรู้กับใจทั้งสองฝ่ายทีเดียวว่า น่าจะคลองกันอย่างมีความสุขโอ้โหนึกไม่ถึงมาก่อนเลยค่ะแต่ก็เป็นอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆด้วยครั้งแรกที่พี่ณชวนไปทำบุญด้วยกันมีแต่เรื่องดีๆน่าชื่นใจเข้ามาเพิ่มปิติแล้วหลังจากพี่ณตกลงจัดของสังฆทานตามคำแนะนำของจ้าก็เหมือนเห็นอะไรตรงกันอยากว่าอะไรว่าตามกันไปหมดการทำทานด้วยความปรองดองจะมีผลสืบเนื่องไม่รู้จบทั้งชาตินี้และชาติถั ด, ถดไปใจคนส่วนมากไม่ใหญ่พอจะคิดถวายสังฆทานอย่างชาย อย่างนี้ควรจะฝึกเป็นขั้นเป็นตอนยังไงดีคะถ้าอยากเกิดเป็นชายก็ให้เริ่มแต่ระดับเป็นขั้นๆจากอยากไปหาละเอียดโลกนี้เต็มไปด้วยผู้พร้อมจะรับซึ่งก็หมายถึงมีพื้นที่ฝึกหัดให้ลงหลายสนามจากง่ายไปหายากแรกสุดควรเลือกทําทานกับสัตว์เพื่อสร้างใจที่ไม่หวังผลตอบแทนก่อนจากนั้นขยับขึ้นมาทําทานกับขอทานข้างถนนแบบที่พิการชัดๆก็ดีเป็นการสร้างใจที่เอื้อเฟื้อต่อคนตกทุกข์ได้ยากทําด้วยเศษสตางค์ทีละน้อยทีละน้อยแต่ขอให้บ่อย ให้เป็นกิจวัตรประจําวันได้ยิ่งดีจิตจะเริ่มติดสุขในการให้เปล่าแล้วใจจะค่อยๆใหญ่ขึ้นอยากให้ด้วยความเต็มใจยิ่งยิ่งขึ้นเพิ่มภูน้ําจิตคิดเมตตากรุณาจริงแท้ยิ่งยิ่งขึ้นถึงตรงนั้นแหละแม้ไม่มีใครชักชวนอยู่ดีๆก็อาจนึกอยากทําบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยตนเองล้านดาวยิ้มกลิ่มต่อไปถ้าใครถามเรื่องวิธีเลือกเกิดใหม่เป็นชายหล่อนจะเริ่มตอบจากวิธีให้ทานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเช่นนี้ การทำบุญเอาหน้ามีส่วนลดทอนความหนักแน่นของกุศลหรือเปล่าคะก็แล้วแต่จังหวะการคิดการทำบุญเอาหน้านั้นในมโนทวารของเราจะมีหน้าตาใหญ่ๆของตัวเองแปะอยู่ในกองบุญอาการนึกขณะนั้นไม่แนบบริสุทธิ์ไปในบุญถ้าคิดอยู่ตลอดเวลาก็อาจเหมือนพระจันทร์ข้างแรมแสงบุญรีเหลือน้อยเพราะถูกบทบังเห็นเป็นเงามืดไปเกือบหมดอย่างนี้ไม่จัดเป็นการทำบุญของบุรุษแต่ถ้าคิดเพียงเล็กน้อยก็เหมือนพระจันทร์ที่เพิ่งอยู่ในช่วงข้างขึ้น แม้มีเงามืดบดบังแสงอยู่บ้างก็นับว่านิดหน่อยอย่างนี้ยังเข้าข่ายการทําบุญของบุรุษอยู่การทําบุญหวังผลด่วนการทําบุญแล้วอธิษฐานขอโน่นขอ น, น, ขอนี่แบบพวกเห็นการทําทานเป็นการลงทุนทางธุรกิจก็มีผลลดทอนกําลังกุศลด้วยใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าอธิฐานแบบสมเหตุสมผลบ้างก็ไม่เป็นไรคนส่วนใหญ่เงินขาดมือชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังหากทําทานเป็นประจำแล้วขอให้มีไรายได้จากการขยันทํางานไม่ขาด อย่างนี้ผลทานจะไปเพิ่มความสว่างทางการเงินในชาติปัจจุบันได้จริงแล้วก็ไม่ถึงกับลดทอนกําลังกุศลแบบชายลงมากนักแต่อย่างหนูไม่เดือดร้อนเรื่องเงินก็ควรตั้งจิตให้บริสุทธิ์ในบุญโดยไม่หวังผลไปเลยจะประเสริฐสุดแล้วการกีดกันไม่ให้คนอื่นมีส่วนในกองบุญของเราหรือกลุ่มญาติของเราล่ะคะจัดเข้าฝักฝ่ายทานแบบสตรีได้หรือเปล่าจะเห็นเต็มเลยคนไทยชอบแย่งกองบุญว่านี่ส่วนของฉันฉันจะภูมิใจของฉันเป็นเอกเทศอย่าได้เอาของเธอมาปะปนกัน ท่านแบบนั้นก็น้องนองวิธีการทําบุญเอาหน้านั่นแหละแต่เรียกให้ตรงตัวคือเป็นการทําบุญด้วยจิตขับแคบมากกว่าไม่ได้เป็นฝักฝ่ายบุรุษหรือสตรีโดยตรงเพราะบางคนการกองบุญของตัวเองเป็นต่างหากจากคนอื่นก็ด้วยเน่าไปในความหวังว่าตนจะได้สวยบุญส่วนตัวเต็มบริบูรณ์ความคิดในการทําบุญทํานองนี้จะส่งผลให้ใช้ชีวิตปกติแบบไม่ค่อยเอื้อเฟื้อคิดเห็นแปลกแยกจากคนอื่นหรือคิดอยากได้ดีเด่นเหนือใครยอมน้อยหน้าไม่ได้ผลทางอ้อมคือมีเพื่อนน้อย หน้าตาถึงแม้สวยหล่อยอย่างไรก็เหมือนคาสเสน่ห์น้าคบหาไปและชาติหน้าคนเห็นโงเ่เฮงแล้วจะรู้สึกว่าเป็นพวกใจแคบด้วยกรรมนี้ทํากันได้ละเอียดพิสดารจริงๆเลยลั่นดาวรำพึงอุปการรัศดยาอย่างเห็นประโยชน์ในการให้ความเข้าใจเรื่องการทําทานนะนะความจริงถ้าเข้าใจหลักสําคัญก็ไม่มีอะไรมากหรอกขอแค่แม่นตรงจุดยอดจุดเดียวคือบุญจะเกิดเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับจิตที่เปิดกว้างที่เบิกบานที่เป็นปิติสุข ถ้าเห็นตรงนี้ให้ได้คนเราจะฉลาดทำบุญเหมือนๆกันหมดสามารถนำไปเป็นหลักตรวจสอบใจตัวเองได้หมดว่าคิดเข้าร่องเข้ารอยหรือยังยิงสาวก้มหน้าก้มตาจดสรุปพร้อมขยายความว่าทานจิตที่สมบูรณ์วัดกันด้วยความเปิดกว้างไม่ขับแคบความเบิกบานไม่หดหูกับความมีปิติสุขไม่เศร้าหมองหากมีคุณสมบัติของกุศลจิตครบ <c oughs> ก็สะท้อนให้เห็นถึงรากว่าวิธีคิดในการทำงานถูกต้องบริบูรณ์ คราวนี้เอาศีลเป็นเกณฑ์บ้างละค่ะอย่างไรเป็นฝักฝ่ายของชายอย่างไรเป็นฝักฝ่ายของหญิงวัดกันที่ความแน่วแน่ในการตั้งใจรักษาศีลความตั้งใจไม่กระทํากาเมสุมิฉาจาระอย่างเด็ดขาดฝักฝ่ายของชายคือมีใจเดียวเด็ดเดียวอย่างไรก็ไม่เอาแน่ๆไม่ใช่หมกมุ่นอยู่กับการห้ามใจหรือลังเลว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดียืนกลางปฏิเสธแบบกระต่ายขาเดียวเลยเมื่อโอกาสมาถึงหรือมีใครมายั่วยวนชวนขึ้นเตียง สรุปคือถ้าไม่ใช่สามีหรือภรรยาของตนก็จะไม่ใจแขวงเป็นอันขาดใช่ถ้าสนิทกันคิดว่าหยวนหยนหน่อยเดียวแค่หอมปากหอมคออะไรงี้นับหรือเปล่าคะนับสีส่วนใหญ่เกิดเป็นหญิงก็เพราะใจอ่อนยวนหยวนนิดหยวนหยนหน่อยนี่แหละใจคนนะ่ะไม่ต้องคิดถึงขั้นหอมปากหอมคอหรอกแค่ครุ่นคิดไม่เลิกไม่ยอมหักห้ามก็เริ่มผิดกันที่ตรงนั้นแล้วผิดศีลตั้งแต่คิดแล้ว ถ้าใจคิดอย่างเดียวยอมจุก อ, อกปิดกัน้นไม่ให้ลามมาถึงมือไม้ก็แค่ถือว่าศีลพร้อมจะด่างพลอยเท่านั้นยังไม่ถึงขั้นด่างพลอยไปแล้วเรียบร้อยศีลจะเริ่มมีมนทินด่างพลอยก็เมื่อแตะเนื้อต้องตัวกันด้วยความกำหนัดยินดีแกล้งจับมือด้วยความยินดีในสัมผัสระหว่างเพศก็ถือว่าต้องมนทินแล้วอย่างนั้นแปลว่าตราบใดศีลยังไม่ด่างพลอยยังไม่แกล้งเฉี่ยวมือเฉี่ยวไม้ยังมีความหักห้ามยังคิดก็นับเป็นฝักฝ่ายของชายอยู่ใช่ไหมคะใช่ พวกตัดเด็ดขาดไปเลยแม้กระทั่งความคิดอย่างนั้นถึงจะเรียกว่ามีใจเป็นลูกผู้ชายเต็มร้อยฟังดูขัดแย้งชอบกล น, นะคะเรื่องพันนี้โดยวิสัยของผู้หญิงจะระวังตัวมากกว่าผู้ชายไม่ใช่หรือถึงแม้ยุคนี้เหมือนฟรีกันมากขึ้นจะสังเกตดูผู้หญิงยังมีความละอายทําแล้วสํานึกผิดอยู่ดีต่างจากพวกผู้ชายที่จะมองการขบชู้เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆทําไปไม่สํานึกผิดเลยสักนิดเดียวนี่มีแปลว่าผู้หญิงมีแนวโน้มจะเกิดใหม่เป็นชายได้มากกว่าผู้ชายในชาติปัจจุบันหรอกหรือคะ ก็เป็นวิธีสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพศไงเพราะอยู่ในอัตภาพหญิงก็เจียมในสภาพของตนเห็นว่าเป็นฝ่ายเสียเป็นฝ่ายรู้สึกงามหน้าเลยระมัดระวังรักนวลสงวนตัวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแต่งงานแล้วก็มีแนวโน้มจะซื่อสัตย์กับสามีแต่พออยู่ในอัตภาพชายก็ทนงในพลังกำลังของตนแถมเกิดความมักง่ายด้วยเห็นว่าตนไม่เสียหายอะไรเป็นฝ่ายได้เป็นฝ่ายสนุกอย่างเดียวนักเลงผู้หญิงที่รักกินขโมยกินของคนอื่น โดยปราศจากความละอายชาติต่อไปจะเป็นกระเทยเป็นบทลงโทษให้เกิดความอับอายแรงๆชดเชยกับที่ไม่เคยอายเอาเสียเลยส่วนพวกเจ้าชูยักษ์ลกรอบร่วมประเวณีไม่เลือกลูกเขาเมียใครแต่ยังเกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือกล้าทํากล้ารับอยู่บ้างไม่ใช่แค่เอาสนุกชั่วแล่นพวกนี้มักเกิดใหม่มีใจเป็นชายแต่กลายเป็นหญิงล้านดาวหัวเราะ อ, อย่างถึงบางอ้อพูดง่ายๆคือเป็นทอมใช่ไหมคะทํานองนั้นทำหน่อยเถอดคะ่ะ จ๊กกับพี่เอิญเป็นหญิงแท้ทั้งคู่ทำไมเคยรักเคยลงในแบบชู้สาวกันได้เป็นการบีบคั้นของกรรมอย่างเดียวโดยไม่ต้องพึ่งพาความต่างสักแบบคั่วหนึ่งเป็นทอมคั่วหนึ่งเป็นดี้เลยหรือคู่ที่รักและผูกพันกันข้ามภพข้ามชาติมานานก็มักเกาะกรรมร่วมกันมาหลายแบบจึงมีฐานะได้หลากหลายอย่างนี้แหละพอพบเจอจะตั้งต้นด้วยความรู้สึกว่าเป็นอะไรกันก็ได้ขอให้มีความผูกพันมีโอกาสใกล้ชิดกันทำอะไรร่วมกัน ตัวหนูเองในชาตินี้นั้นวิบากด้านดีทําให้มีสเสน่ห์เป็นที่น่าหลงรักสําหรับทุกเพศอยู่แล้วพอหนูโดนวิบากด้านร้ายบังคับให้ตกลุมรักหมอเอินกระแสะความอยากในเชิงชูสาวของหนูก็บีบให้เขาพลอยหลงผิดตามกันเพราะมีความผูกพันลึกซึ้งนําหน้าแถมหมอเอินเองก็มีความเหงาหนุนหลังอยู่เป็นเหตุเป็นผลที่เหมือนปรากฏอยู่ตรงหน้าชัดๆแต่อธิบายไม่ถูกอย่างอาจารย์เลยค่ะแล้วจ้าหลุดจากบ่วงกรรมได้เพราะหมดแรงส่งของกรรม หรือว่าตามขั้นตอนของผังกรรมนั้นจะจะต้องเจอพิษแตรหรือว่าเป็นเพราะจ่าทําใจสละบาปแล้วอธิฐานขอพบคนใหม่กันแน่คะทุกอย่างประกอบกันแต่จุดใหญ่ที่สุดคือจ่าคะความมีใจคิดสละบาปนั่นแหละเป็นตัวประกอบสําคัญสูงสุดในกรณีของหนูเพราะเดิมหนูมีความคิดเอาแต่ได้เห็นแก่ตัวจัดถ้าหากไม่เปลี่ยนแปลงตัวตนเดิมๆก็จะต้องหลงวนอยู่ในวงโครจรเดิมๆไม่อาจเจอคนใหม่ที่ดีกว่า คลายสร้างเขาวงกตให้ตัวเองหาทางออกไม่เจอหรือเหมือนขุดหลุมให้ตัวเองติดอยู่อย่างไม่อาจถอนเท้าขึ้นมาสําเร็จถ้ามองตามจริงว่าชีวิตต้องผ่านการเลือกคู่หลายครั้งคิสละคนที่ไม่ใช่ไปเรื่อยๆก็คงทําใจให้ปักแนวมั่นคงในศีลได้ยากสิคะเหมือนเหมือนจะต้องเตรียมใจรับสภาพว่าเขาอาจไม่ใช่ของเราในวันหนึ่งเราเองก็มีสิทธิสอดสายสายตาหาคนเหมาะกว่านี้พูดตรงๆเลยก็ได้แม้แต่จะในวันนี้ถ้าอาจารย์ไม่บอกว่าพี่ณะใช่ ก, ก็คงไม่ทุ่มใจให้กับเขาหมดหรอกกลัวว่าในที่สุดก็ไม่ใช่เหมือนพี่แตรอีกอืมหนูก็พูดถูกเกมกรรมหนะเล่นยากเตรียมใจยากทุ่มมากไปก็กลายเป็นยึดมั่นถือมั่นผิดตัวได้เผื่อมากไปก็กลายเป็นหลายใจได้เอาเป็นว่าเมื่อตัดสินใจอยู่ร่วมเรียงเคียงหมอนกับใครต่างคนต่างก็ไม่ทําเรื่องบาดใจกันด้วยการรักษาศีลไม่ล่วงละเมิดสินข้อกาเมะแน่ๆจนกว่าจะแยกเตียงเป็นเรื่องเป็นราวก็แล้วกันโลกนี้นะถ้าเอาตามอุดมคติ ต่างคนต่างทําหน้าที่ฝ่ายชายเลี้ยงดูและปกป้องภรรยาภรรยาปรนิบัติรับใช้สามีด้วยความซื่อสัตย์มีค่านิยมผัวเดียวเมียเดียวก็ได้ชื่อว่าทั้งคู่ทําจิตไม่ให้สัดสายสับสนไม่ต้องชดใช้บาปกรรมทางเพศทั้งชาตินี้และชาติหน้ากันแล้วต่อให้ชาตินี้ยังไม่รักกันดูดดื่มปานจะกลืนสินสัตว์ก็จะกลายเป็นพลังดนใจให้รู้สึกรักลึกซึ้งเมื่อเจอกันในปรโลกไปเองเพื่อนจ้าหลายคนบ่นกันมากเลยว่าอยากเกิดเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงมีแต่เสียเปรียบ หากผู้หญิงเกิดอยากเป็นผู้ชายในชาติหน้าถ้ารักษาศีลข้อกาเมให้บริสุทธิ์แล้วอธิษฐานเอาอย่างนี้จะเกิดผลสําเร็จตามปรารถนาไหมคะสําเร็จสิเพราะใจที่เลื่อมใสในศีลรักษามัรถในศีลอย่างหนักแน่นเป็นฝักฝ่ายของบุรุษอยู่แล้วหากอธิษฐานกํากับไว้ด้วยก็ต้องได้เป็นชายแน่นอนอย่างนี้ถ้าอยู่ตัวคนเดียวไม่แต่งงานก็หมดสิทธิสร้างกรรมว่าด้วยความซื่อต่อสามีสิคะอยู่ตัวคนเดียวก็คิดได้ว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับชายที่มีภรรยาแล้ว ถ้าให้ดีคลองตัวบริสุทธิ์ไปเลยเพราะการถือคลองพรหมจรรย์การถือศีลแปดประพฤติธรรมจนเกิดปิติสุขปลอดโปรง่งจะบรรดาลผลให้ได้เป็นชายตามปรารถนาแน่นอนที่สุดเพราะอะไรคะเพราะพรหมจรรย์ทำให้จิตมีกำลังเป็นกุศลหนักแน่นไงละ่ะต้องใช้กำลังใจไม่ใช่น่อยๆ น, นะถึงจะอยู่รอดตลอดกามหนะเหมือนห่วงน้าทาให้จิตเอิบชุ่มด้วยยางเหนียวเป็นตัวลดทอนอนาจกุศลให้อ่อนกาลังลงอย่างมาก คนที่หมกมุ่นครุ่นคิดถึงการรดหนักๆจิตมักจดจ่ออยู่กับเครื่องเพศของหญิงยิ่งจดจ่อมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งยึดในอัตภาพหญิงมากขึ้นเท่านั้นเหมือนพบของหญิงเป็นแม่เหล็กดึงดูดจิตให้ไปติดจนแกะยากพอติดจมมากเข้าในที่สุดเลยกลายเป็นหญิงไปเสียเองเมื่อเกิดใหม่ครั้งต่อไปลานดาวเขียนคำว่าความมักมากในกามแล้วขีดเส้นใต้แค่ไหนถึงเรียกว่ามักมากในกามในความหมายของอาจารย์คะคือมีความคิดส่วนใหญ่ตรึกไปในกาม ยังเห็นใครก็เน้นมองเป็นวัตถุกรมไปหมดไม่ค่อยอยากรู้แง่มุมอื่นของใครเท่าไหร่ที่สําคัญคือมีใจอุทิศ ร, ร่างกายให้กับการมท่าเดียววันๆแทบไม่อยากหยิบจับอย่างอื่นหญิงสาวหน้าแดงหน่อยๆเม้มปากหัวเราะออกจมูกเหลือบตาลงต่ําเพื่อจดบันทึกก่อนเปลยผู้ชายหลายคนมองว่าการประกาศสักดาของชาติชาตรีคือการมีผู้หญิงเยอะๆบางทีจ๊ะยังเคยคิดเลยค่ะว่าเป็นผู้ชายไทยนี่ดีเนอะเมียยิ่งมากสังคมก็ยิ่งยกนิ้วโป้งให้ว่าเก่ง บางประเทศเข่ากีดกันไม่ยอมให้พวกขุนแผนเล่นการเมืองระดับประเทศด้วยซ้ำอุปการะพยักพเยอรค่านิยมของคนไทยทั่วไปมักยืนพื้นอยู่บนความเชื่อในทางเสื่อมพูดง่ายๆว่าชอบแข่งกันเก่งในทางลงไม่ใช่ทางขึ้นทั้งนี้ก็เพราะความไม่รู้ว่าทําอะไรแล้วได้ผลตอบแทนท่าไหนนั่นเองอย่างเช่นคนมักเข้าใจว่าแมนเต็มร้อยคือต้องแข็งกระด้างรู้สแสดงออกในทางก้าวร้าวฉุนเฉียวปล่อยอารมณ์เต็มที่โดยไม่ต้องใช้เหตุผลยังคิดให้มาก หรือเข้าใจผิดอย่างหนักคือควรพิสูจน์ความเป็นชายด้วยการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเยอะๆทั้งที่กรรมเหล่านั้นเป็นฝากฝ่ายให้ได้เกิดเป็นหญิงแทๆ้ๆแล้วพวกจิตวิปริตชอบกดขี่ทารุณผู้หญิงล่ะคะต้องไปเกิดเป็นหญิงเพื่อโดนเอาคืนในรูปแบบเดียวกันหรือเปล่ากรรมจําจพวกนั้นไม่ต้องทําบ่อยเป็นอา จ, จินก็มีน้ําหนักถีบลงนรกได้เพราะการคมคืนหรือการกดขี่ทารุณทางเพศบาดจิตบาดกายเบียดเบียนผู้อื่นเป็นอย่างยิง่งก่อให้เกิดความสกปรกแก่จิตของผู้กระทําเป็นอย่างยิง่ง ถ้าโชคดีหน่อยลงไม่ถึงนรกอย่างน้อยก็ไปเป็นสัตว์ที่ถูกทําทารุณแบบหมดสิทธิ์ป้องกันตัวและในชาติถัดมาหากบุญถึงมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเศษกรรมย่อมเสกครูปหญิงมาเพื่อชดใช้หนี้เก่าซ้ําตามหลักที่ผู้เอาเปรียบย่อมกลายเป็นผู้เสียเปรียบผู้กระทําย่อมถูกกระทําคืนเขาจะงุนงงว่าเหตุใดตั้งแต่ต้นชีวิตตนจึงพบเจอแต่การทารุณทางเพศทั้งที่หญิงอื่นหลายต่อหลายคนไม่เคยถูกกล้ามกลายแม้เท่าแมวขวร ลันดาวกระพริบตาทีๆข่าวอาชญากรรมทางเพศเป็นเรื่องน่าหวาดผัวสำหรับลูกผู้หญิงทุกคนแต่หลังจากตระหนักว่าโลกทั้งโลกถูกดูแลโดยกรรมหล่อนก็เดา ว, ว่าอดีตชาติตนคงไม่เคยทำเรื่องโหดร้ายมาก่อนชาตินี้จึงไม่มีเรื่องโหดร้ายแพผ่านมาใกล้ตัวแม้แต่ครั้งเดียวทั้งที่เพื่อนบางคนมาปรับทุกข์ให้ฟังแล้วต้องโฉนดว่าสมัยนี้คนส่วนใหญ่อยู่กันเข้าไปได้อย่างไรบางรายเจอเป็นปกติแทบปีละหนทีเดียวน่ากลัวจังนะคะ เหมือนหมุนวนเป็นวัฏจักรอย่างนี้เองธรรมชาติให้เครื่องเล่าใจมาพ่อบุมบามคว้าเหยื่อล่อด้วยวิถีทางที่ผิดบาปก็ทําชําราคนอ่อนแออนาคตก็ต้องกลับเป็นคนอ่อนแอให้ถูกชําราคืนโดยจําไม่ได้ว่าตัวก็เคยทําเขามามีแต่จะเคียดแค้นอยากจองเวรกันไม่เลิกราต่อไปถ้ามองจากมุมของผู้อยู่เหนือกรรมอย่างพระพุทธเจ้าทุกคนน่าสงสารหมดทุกคนเลวซามเป็นกรรมอน่าสลดสังเวชหมดเพราะเป็นเหตุให้ต้องรับผลย่ําแย่ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเสมอ ตราบใดยังไม่มีการสํานึกผิดตราบใดยังไม่มีการอโหสิตราบนั้นเวรจะยังไม่ระงับแล้วก็ต้องอยู่บนเส้นทางเดิมที่น่าเหน็ดหนื่อยไม่สิ้นสุดกันต่อไปหญิงสาวนิ่งไปอึดใจภาวนาอย่าได้ต้องมีเวรมีภัยกับใครอีกเลยจะสรุปอย่างนี้ถูกไหมคะกระแอมนิดหนึ่งก่อนดูโน้ตรวมๆจิตวิญญาณไม่มีเพศคือทางนมามธรรมไม่มีใครเป็นชายไม่มีใครเป็นหญิงมีแต่กรรมทางการคิดการพูดการทําของแต่ละคนที่สมชายหรือสมหญิง ถ้าน้ำหนักกรรมโดยรวมมีความสมชายก็ทำให้เกิดรูปชายถ้าน้ำหนักกรรมโดยรวมไม่พอก็ได้รูปหญิงกันไปเพราะเป็นเพศหญิงกันง่ายตอนเป็นตัวอ่อนทุกคนก็เป็นหญิงอยู่แล้วถูกอุปการะรับรองว่าแต่รู้ช่องทางอย่างนี้แล้วยังพอใจจะเป็นหญิงต่อไปไหมล่ะคำถามนั้นแฝงน้ำเสียงสัพยอก ลานดาวยกมือรูปเส้นผมยาวของตนเองลงมาถึงปลายกิริยานั้นทําให้รู้สึกถึงความเป็นหญิงจนต้องระบายยิ้มที่มุมปากนิดๆความเป็นหญิงทําให้หล่อนรู้สึกว่าเป็นสมบัติของผู้ชายคนหนึ่งขณะเดียวกันนั่นก็เป็นนาทีแรกที่รู้สึกแปลกไปเดิมทีหล่อนไม่ได้เป็นหญิงไม่ได้เป็นสมบัติของใครไม่แม้แต่จะเป็นเจ้าของครอบครองร่างกายตนเองได้ชั่วกระนานด้วยซ้ําแต่กรรมเก่าส่งให้มาใช้ชีวิตในภาวะอิทธิชั่วคราว เกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่านี่เป็นหล่อนหล่อนเป็นเจ้าของร่างหญิงนี้แต่ความติดใจในการคลองรูปหญิงก็ยังเหนียวแน่นเพราะถ้าเป็นหญิงแล้วได้ตามพี่นาไปเรื่อยก็ดีเหมือนกันนะคะอุปการะหัวเราะแล้วเบนหน้าไปอีกทางอืมก็ดีตามอัธยาศัยเก่าของเราจะรู้สึกว่าพี่นามีความเป็นชายออกมาจากข้างในบอกไม่ถูกเหมือนเขาเป็นชายตลอดมาทุกพบทุกชาติและจะไม่กลับเปลี่ยนเป็นหญิงเลยจะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะ อุปการะดึงสายตากลับมามองลูกศิษย์สาวคุณสรณะก็เหมือนแฟนคนก่อนของหนูพวกนี้เป็นพระโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีมามากแล้วจิตใจหนักแน่นเกินมนุษย์เสียสละขนาดตายแทนคนไม่รู้จักได้ก็ธรรมดาที่หนูจะรู้สึกว่าเขาเป็นชายเต็มพิกัดพระโพธิสัตว์นี่คือพวกที่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตใช่ไหมคะใช่ในอดีตการพวกนี้เคยพบพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆแล้วเกิดแรงบันดาลใจแทนที่จะบำเพ็ญเพียรให้สาเร็จอารหัสตผลเอาตัวรอดเฉพาะตน ก็ขอเดินทางอ้อมอยากอยู่บำเพ็ญบารมีต่อจนบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นพระพุทธเจ้า พ, พระองค์หนึ่งเพื่อช่วยรื้อถอนสัตว์จากสังสารวัฏ ด, ด้วยกําลังแห่งตนมโนกรรมอันเป็นมหากุศลนั้นส่งผลให้ชาติต่อมาเป็นผู้มีความริเริ่มมีความหนักแน่นในการทํากุศลยิ่งใหญ่มากกําลังใจที่จะคิดเองทําเองนั้นสูงเหนือธรรมดาเดินเดี่ยวได้โดยไม่ต้องมีใครนําชอบแต่จะชักจูงหรือนําพาใครต่อใครไม่เลือกหน้าให้ได้ดีตามตน ว่าเป็นกรรมในฝักฝ่ายของบุรุษสุดขั้วจึงมีความเป็นชายติดตัวไปตลอดตราบเท่าเข้านิพพานจะจะได้เป็นตัวจริงของพี่นาตลอดไปด้วยใช่ไหมคะหนูเคยอนุโมทนายินดีกับความปรารถนาพุทธภูมิของคุณสรณะมาหลายครั้งมีน้ำใจหนักแน่นขนาดออกปากเปล่งวาจาอธิษฐานขอยินดีในกุศลร่วมกับเขาทุกพบถูกชาติได้วจีกรรมที่เกิดซ้ำซ้ด้วยใจจริงหลายพบหลายสมัยนั้นจะโดนให้ได้เป็นคู่แท้ของเขาเพราะชนะบุญที่หญิงอื่นทําร่วมกับเขามาทั้งหมด พูดให้เข้าใจง่ายคือเมื่อไหร่เขาเป็นราชาหรือมหาจากักรพรรดิผู้มีบาทบริจาริกาตามประเพณีหลายนางเราจะเป็นมเหสีเอกเสมอไม่มีทางเป็นนางสนมอย่างเด็ดขาดลานดาวสยามยิ้มกว้างด้วยแรงฉีดของปีติเมื่อกี้แค่จาย์พูดถึงการปรารถนาพุทธภูมิของพี่ณนะจา ก, ก็นึกยินดีจะติดตามเขาตลอดไปไม่ว่าจะอีกนานแค่ไหนอันนี้คือสัญญาณทางใจที่ติดมาจากการอธิฐานเดิมใช่ไหมคะอย่างนี้แหละ ธรรมดาของการอธิษฐานจะให้ผลแบบข้ามชาติในรูปความเต็มใจคิดแบบเดิมๆ เ, เมื่อถูกกระตุ้นเตือนให้ระลึกได้เหมือนไฟลึกลับที่ผุดพลงขึ้นมาจากส่วนลึกอย่างไม่รู้เหนือรู้ใต้เราจะบอกตัวเองว่าใช่โดยปลัสจากคำถามหาเหตุผลที่มาที่ไปคิดทบทวนแล้วก็ประหลาดดีจังค่ะตอนยังไม่ทันอายุเข้าวัยรุ่นดีจะเห็นพี่นาออกทีวีก็ลหลงไหลคลั่งใครเอามากๆและเชื่ออยู่ลึกๆว่าจะเป็นของเขา แต่ความเชื่อ น, นั้นก็สลับกับความคิดว่านั่นนาจะเป็นแค่อาการละเมอเพอพกของเด็กผู้หญิงช่างฝันคนหนึ่งแล้วจ๊ะ ก, ก็เริ่มเมียงมองหาเจ้าชายในโลกความจริงค่อยๆโตขึ้นพร้อมกับตรรนักชัดว่าพินาคงอยู่ไกลเกินเราจะตามทันแต่เขาก็เป็นเครื่องวัดระดับผู้ชายอื่นๆของจ๊ะและเหมือนคอยเป็นเครื่องบอกอยู่ตลอดเวลาว่าให้ดีแค่ไหนก็ยังไม่ใช่ไปหมดไม่น่าพอใจไปทางนั้นเพราะยังเทียบเขาไม่ได้สักคนเว้นพี่แตร์ที่ใกล้เคียงที่สุดแล้ว อก็เพราะแฟนเก่าของหนูอยู่บนทางพุทธภูมิเหมือนกันบำเพ็ญบา ร, รมีมาใกล้เคียงกันหญิงสาวหัวเราะนิ่มๆสิ่งที่สำคัญว่าเป็นอุปทานกลับกลายเป็นของจริงไปได้อย่างนี้จะมีวิธีรู้ไหมคะว่าตกลงอันไหนอุปทานอันไหนคือสัญญาณเก่าจากอดีตชาติจริงๆปุถุชนธรรมดาที่ปลัดจากญาณอย่างรู้กรรมสัมพันธ์ ระดับข้ามภบข้ามชาติไม่มีทางแยกได้ออกหรอกเป็นเรื่องอจินไตยคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าม่ควรคิดถือเป็นอุปท า, านไปก่อนจะปลอดภัยที่สุดไว้มีเหตุปัจจัยคลี่คลายพิสูจน์ตัวเองค่อยเชื่อก็ยังไม่สายเ อ, อในเมื่อการติดตามพิ่นาเป็นเรื่องจริงและเขาจะเป็นผู้ชายตลอดการอย่างนี้ก็หมายความว่าจะไม่มีสิทธิเปลี่ยนเพศตลอดไปอุปการะพยักหน้าการติดใจการปักใจอธิษฐานขอติดตามพระโพธิสัตว์เป็นเหตุผลหนึ่งของการเกิดเป็นหญิง เมื่อกี้ตอนอาจารย์ยกตัวอย่างเล่นๆว่าถ้าชาติไหนพิ่นาเกิดเป็นมหาจากักรพรรดิชาตินั้นจะจะได้เป็นมาเหสีจ้าคนลุกไปทั้งตัวไม่ใช่เพราะยินดีกับตําแหน่งนะคะแต่เหมือนเห็นนิมิตพิ่นากับตัวเองอยู่ในเครื่องทรงกษัตริย์แบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คงเป็นความจําในส่วนลึกเพราะบําเพ็ญบา ร, รมีแบบโพธิสัตว์มานานขนาดนี้บุญญาบา ร, รมีมักส่งให้ไปเกิดเป็นใหญ่เป็นโตบ่อยกรรมอะไรที่ทําให้คนเราได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิคะฐานะของคนเราโดยมาก ก็พูกอยู่กับผลของทานที่ทำนั่นแหละไม่ให้ทานเลยก็เป็นอยู่อย่างคนไม่มีอะไรเลยให้ทานอย่างคนธรรมดาก็เป็นอยู่อย่างคนธรรมดาให้ทานอย่างราชาก็เป็นอยู่อย่างราชาให้ทานอย่างจากักรพรรดิก็เป็นอยู่อย่างจากักรพรรดิทานของคนธรรมดาเป็นยังไงคะดูจากตัวหนูเองก็แล้วกันตอนเลือกซื้อของมาใส่ครัวผมหนูเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยความตั้งใจอย่างไรยิงสาวทบทวนไปถึงวาระจิตก่อนเข้าซเปอร์มาร์เก็ตแล้วตอบตามซื้อ จะรู้สึกว่าถ้าไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาฝากก็เหมือนขาดสิ่งที่สมควรนะคะตอนเลือกของจากชั้นหนูคิดอย่างไรก็เลือกสิ่งที่จะคิดว่าคุณภาพดีที่สุดบางชิ้นจารู้ว่าอาจารย์ชอบแต่บางชิ้นจ้าก็ชอบของจาเองและอยากให้อาจารย์ลองบ้างหนูกะงบประมาณในการซื้อแค่ไหนเวลาให้ของอาจารย์หรือถวายของพระจะชอบเห็นของเต็มๆรถเข็นสองสคันไม่ได้กะเป็นงบประมาณและไม่เคยดูด้วยซ้ําว่าจ่ายไปเท่าไหร่แค่ยื่นบัตรเครดิตให้แคชเชียร์อย่างเดียว หนูไม่รู้สึกเดือดร้อนกับค่าใช้จ่ายเลยใช่ไหมไม่เลยค่ะสำหรับอาจารย์แค่นี้นับว่าน้อยมากลองกะได้ไหมว่าของทั้งหมดนั่นกี่บาทหญิงสาวเหลือบตาลงต่ำพยายามทบทวนโดยนึกถึงตัวเลขดิจิตอลบนเครื่องคิดเงินของซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งผ่านตาเพียงแว็บเดียวแล้วก็ฟังเสียงพนักงานแค่ผ่านผ่านหูโดยไม่นึกว่าจะต้องจำไว้ให้ตัวเลขกับใครถึงแม้โดยทั่วไปหล่อนยังตรรนีทีเหนียวอยู่บ้างแต่ถ้าเป็นการซื้อของให้อาจารย์แล้วไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องหมดเงินไปสักเท่าไหร่ ดูเหมือนจะเป็น57าพันกว่าๆนะคะจําไม่ถนัดตอบอย่างไม่มั่นใจนักช่างเถอะผมไม่ได้จะเอาความแม่นยําเรื่องตัวเลขหรอกแค่อยากถามว่าหลังจากซื้อของด้วยจํานวนเงินประมาณนั้นกับทั้งขนของจากรถมาเข้าห้องครัวบ้านผมแล้วหนูรู้สึกยังไงลานดาวลําดับภาพอีกครั้งประมวลรวมลงเป็นความรู้สึกโปร่งเบาแช่มชื่นขึ้นทันทีมีความสุขค่ะชื่นใจที่ได้ทําอะไรตอบแทนอาจารย์บ้างแม้เล็กๆน้อยๆเหมือนไม่ค่อยมีความหมายก็ยังดีจําประมาณของความสุขไว้นะ เอาล่ะทีนี้ลองย้อนนึกถึงวันที่หนูทํางานหนักต้องเหนื่อยและทนหิวจําความหิวจนไส้แทบขาดได้ไหมลานดาวต้องเคนนึกอยู่พักหนึ่งเพราะตั้งแต่เกิดมาคำคำหนึ่งในพจนานุกรมที่หล่อนไม่ค่อยเข้าใจความหมายก็คือหิวนี่เองแต่พอระลึกถึงวันคืนที่ตนดื้อดึงและประท้วงอดข้าวเพื่อขอแลกใบยา ก, กับมาวันทาสภาพหิวไสกิว่วหน้ามืดตาลายก็ย้อนกลับมาสู่ความทรงจํามันเหมือนร่างกายเหี่ยวแห้งอยากงอ ต, ตัวตลอดเวลามีความทุรนทุรายเรียกร้องหาอาหารดับความทรมาน โดยเฉพาะในช่วงวันแรกที่ไม่มีอะไรตกถึงท้องแว่าครั้งนั้นหนองน้ําแห่งความเศร้าก็ปิดปากหลอนไว้สนิทไม่ให้ยอมรับสิ่งใดเข้าท้องได้เลยพอนึกถึงความหิวได้ครั้งหนึ่งก็โยงความทรงจําไปถึงความหิวอีกครั้งหนึ่งได้อีกครั้งนั้นหลอนอยู่ในช่วงประถมเป็นเนตรนารีมีกิจกรรมที่ต้องทําหนักหน่วงหลอนเหน็ดเหนื่อยเหงื่อท่วมและหิวโซแต่ก็ปลีกตัวออกมากินข้าวตามลาพังไม่ได้เพราะงานปลูกข่ายยังไม่สําเร็จลุล่วง และเพื่อนๆในกลุ่มก็ยังไม่ได้กินกันสักคนครั้งนั้นหล่อนเหลือไปเห็นกลุ่มอื่นที่ทํางานเสร็จและนั่งกินข้าวปลายอย่างอร่อยอร่อยบังเกิดความอิจฉาตาร้อนขนาดคิดว่าจะยอมแลกชีวิตกับพวกนั้นขอเพียงสลับที่ได้เป็นฝ่ายกินข้าวแทนก็พอเมื่อนึกถึงสภาพตามที่อาจารย์กําหนดได้ก็พยักหน้าค่ะจําได้จดจ่ออยู่กับความรู้สึกหิวนั้นไว้แล้วลองลบความรู้สึกว่าหนูเป็นลูกคนรวยออกไปตอนที่ทั้งเหนื่อยและทั้งหิวนะ่ะคนเราจะไม่ได้หรอกว่า เคยมีทรัพย์สินเงินทองแค่ไหนคราวนี้สมมุติว่าหนูเป็นนางทาตคนหนึ่งที่ถูกเขาใช้แรงงานเกินกําลังทั้งวันทั้งคืนอดตาลับขับตานอนจนถึงรุ่งเช้าก็แล้วกันด้วยจิตที่กําลังคลุกเคล้ากับความทรงจําครั้งเมื่อเป็นเนตรนารีแถมมาเจอกับการพูดเหนี่ยวนําด้วยจิตตานุภาพของอุปการะลานดาวก็รู้สึกเป็นจริงเป็นจังว่าตนคือ น, นางทาตุผู้แสนทุกข์ทรมานขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งและก่อนที่มโนภาพอันแจ่มชัดในชั่วขณะนั้นจะผ่านไปอุปการะก็เอ่ยเสริมขึ้นอีก ถ้าหนูทํางานเสร็จท้องกําลังว่างปากกําลังแห้งแล้วได้รับปันส่วนอาหารเป็นข้าวสุกเพียงกํามือเดียวหนูจะทําอย่างไรเป็นอันดับแรกเอาข้าวใส่ปากเคี้ยวอย่างรีบด่วนเลยค่ะหญิงสาวตอบยิ้มยิ้มโดยไม่ลังเลถ้าใครมาเอ่ยปากขอบอกว่าเขาหิวมากกว่าหนูหนูจะให้ข้าวในมือไหมลานดาวเบ้ปากสายหน้าน้อยๆตอบตามความสัจจริงโดยไม่เกรงถูกหาว่าใจร้ายจิตไม่มีกําลังบุญพอจะเมตตาให้ทานคงไม่ล่ะค่ะยอมรับว่าใจไม่ถึง ถ้าคิดจะแย่งข้าวจาตอนกำลังหิวคงต้องข้ามศพกันไปก่อนแล้วถ้าเผอิญขณะนั้นหนูเหลือบขึ้นมาเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาบินทบาทพอดีละ่ะท่านไม่ได้เอ่ยปากขอและหนูก็รู้อยู่ว่าท่านไม่ได้หิวหนูจะยังคิดเอาข้าวใส่ปากตัวเองเหมือนเดิมหรือเปล่าจุดรวมสายตาของลานดาวแปลไปเล็กน้อยมนโนภาพพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินมาในระหว่างทางปรากฏแจ่มชัดยิ่งในห่วงนึกวาระนั้นหล่อนลืมความสําคัญของทุกสิ่งเกิดน้ําจิตกระซิบบอกตนเองอย่างเฉียบขาด ว่าต่อให้ถวายแล้วตายดับลงไปจริงๆเดี๋ยวนี้หล่อนก็จะถวายโอกาสดีที่สุดผ่านมาจะคงไม่ปล่อยให้ผ่านไปชีวิตหนึ่งเป็นได้มากที่สุดก็แค่ท่ารับใช้กิเลสจะจะไม่เสียดายถ้าต้องตายเพราะถวายข้าวคำสุดท้ายใส่บาดพระพุทธองค์ขาดคำน้ำตาก็เออทนล้นขอบด้วยแรงแห่งมหาปีติลำคอจุกแน่นด้วยความตื้นตันเกินระงับกับความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวของตนบังเกิดความเย็นซ่านตลอดทั้งส ร, รพาง ลงหัวอกถึงที่สุดเยี่ยงผู้เคยถูกภูเขาแห่งความเห็นแก่ตัวกดทับแล้วยกลอยออกเสียได้ทั้งลูกอุปการะปล่อยให้ลูกศิษย์สาวเสพรสแห่งความปราโมทย์เงียบๆอยู่ครู่ใหญ่ก่อนเอ่ยถามเห็นความต่างระหว่างทานสามัญกับทานอันวิเศษไหมลานดาวกระพริบตาทีๆเพื่อเรียกความรู้สึกตัวเป็นปกติกลับมาตอบชัดที่สุดเลยค่ะอาจารย์สะกดจิตจ้าหรือคะหนูเป็นตัวของตัวเองเต็มร้อยเมื่อตัดสินใจเลือกทํากุศ ล, ลกรรมดูไว้นะขอให้สังเกตเปรียบเทียบว่า ข้าวของกองพนินที่หนูซื้อหามาด้วยเงินครึ่งหมื่นนั้นไม่ต้องใช้กําลังใจในการสละเงินสักเท่าไหร่อย่างมากคือใช้กําลังใจในการคัดเลือกสิ่งดีที่สุดมาให้ผมแต่ข้าวคาเดียวที่อาจหมายถึงการประทังชีวิตให้รอดนั้นต้องใช้กําลังใจในการสละยิ่งกว่าการเกินประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้รับทานเป็นพระพุทธเจ้าก็เหมือนได้ภาคขยายผลที่ก่อให้เกิดกําลังใหญ่สูงสุดความสุขสว่างของทานย่อมแตกต่างกันลิบลับหญิงสาวก้มหน้าจดบันทึกอย่างรวดเร็วก่อนเงยขึ้นถาม เมื่อครูจ่าทำมหากุศลนเป็นจริงๆหรือเปล่าคะอุปการะพระงกศรีรษะจ ร, จริงจริงเต็มร้อยทางมโนกรรมแต่ไม่เต็มร้อยทางกายกรรมเพราะขาดองค์ประกอบเช่นข้าวในมือและขาดพระพุทธเจ้าพระองค์จริงแต่วิบากกรรมที่ได้รับเดี๋ยวนี้คือปิติสุขยิ่งใหญ่ซึ่งหนูรู้ประจักษ์อยู่กับตนเองและนี่อาจเป็นชนวนเปลี่ยนนิสัยทางความคิดในชาติปัจจุบันจากการให้ทานแบบมีเงื่อนไขเป็นไม่มีเงื่อนไขจากคิดหยุมยิ้มเป็นไม่มีอะไรในใจในระหว่างให้ทาน ส่วนวิบากในอนาคตชาติคือจะได้เป็นผู้มีโอกาสถวายข้าวกับพระพุทธเจ้าองค์จริงในพุทธกาลถัดไปนี่แหละผลของมโนกรรมที่ทําอย่างสมบูรณ์เพียงแค่นี้แหละลานดาวรับฟังด้วยความตื้นตันจนนึกอยากพนมมือไหว้ไหว้พระพุทธเจ้าในมโนนึกไหวอาจารย์ตรงหน้าหนูลองเปรียบเทียบดูอุปการะสั่งสืบมาเอาน้ําหนักปิติสุขเป็นเกณฑ์ก่อนนึกออกไหมว่าทานธรรมดาที่ทํากับผมและทานอันวิเศษที่ทํากับพระพุทธเจ้าต่างกันอย่างไร ยิงสาวนึกออกแจ่มชัดทั้งขณะธรรมระหว่างธรรมและหลังธทมเหมือนน้ำอ่างเล็กกับน้ำบ่อใหญ่แต่ด้วยเพราะความเคารพในอาจารย์จึงไม่กล้าปลิปากตอบเดี๋ยวจะเป็นการหลูคุณท่านอยู่ไกลๆคราวนี้ลองเอาขอบเขตแสงสว่างแห่งกรรมเป็นเกณฑ์หนูนึกในใจดูว่าความต่างระหว่างทานทั้งสองชนิดเป็นขนาดประมาณไหนลานดาวเหลือบตาลงพื้นย้อนกลับไประลึกถึงใจในเหตุการณ์อันเป็นทานธรรมดาที่ทํากับอาจารย์ประมาณความรู้สึกสว่างได้ระดับหนึ่ง ซึ่งกว้างขวางกว่าทานทั่วไปอักโขเนื่องจากอาจารย์ท่านเป็นผู้ทรงศีลแล้วหล่อนก็ทําไปด้วยจิตคารวะมีความกระตันยูกะตะเวทีเป็นที่ตั้งอีกด้วยจากนั้นจึงระลึกถึงขณะแห่งเจตนาทำทานวิเศษที่สําคัญตนเองเป็นนางธาตุกาลังจะถวายข้าวอันเป็นสิทธิเพียงคําเดียวแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ถึงกับเบิกตาโพลงขนลุกเกลียวอุทานอย่างลืมตัวโอ้โหกุศลกรรมได้ชื่อว่ากําขาวก็เพราะเห็นด้วยจิตเป็นความสว่างเขาวจริงๆ และถ้าเปรียบความสว่างของทานที่ทํากับอาจารย์เป็นไฟร้อยแรงเทียนความสว่างของทานที่เพียงคิดทํากับพระพุทธเจ้าแบบไม่คิดชีวิตนั้นแม้ขาดพระองค์จริงรับทานก็ยังเทียบเท่ากับไฟล้านแรงเทียนเข้าไปแล้วนั่นทําให้นึกถึงสิ่งเทียบเคียงบางอย่างในธรรมชาติฝ่ายรูปธรรมขอเพียงเราเข้าใจเหตุและผลแบบวิทยาศาสตร์ดีพอก็ไม่มีสิ่งใดน่าประหลาดใจอย่างเช่นถ้าบีบแสงแดดด้วยเลนนูนธรรมดา ก็สามารถเพิ่มความร้อนระดับปกติที่เนื้อคนทนอยู่ได้ให้ทวีขึ้นเป็นความร้อนระดับย่างเนื้อให้ไม้เกรียมลงไปถึงกระดูกภายในเวลาไม่นานเกินรอหรืออย่างเช่นที่เราป้อนพลังอัดเข้าไปนิดเดียวระบบไฮดริกสามารถคายพลังขับดันออกมาเป็นส10ิบเป็นร้อยเท่าได้เรากับมายากลก็เพราะนักวิทยาศาสตร์มีความรู้เกี่ยวกับการส่งทายแรงดันผ่านของเหลวที่อัดตัวไม่ได้จากลูกสูบหน้าตัดเล็กไปสู่ลูกสูบหน้าตัดใหญ่ แต่เรื่องของการขยายกุศลผลบุญอันเป็นนามธรรมานั้นมีความซับซ้อนวิจิตพิสดารยิ่งกว่าธรรมชาติทางรูปธรรมมากเพราะทั้งกําลังใจในการทําทั้งบุคคลอันเป็นภาคขยายผลล้วนเป็นสิ่งที่ปราศจากขนาดและน้ําหนักให้ช่างตวงวัดได้ชัดเจนแม้ผู้มีจิตสัมผัสความสว่างหรือน้ําหนักของกรรมได้ก็ต้องฝึกฝนเข้าไปรู้เข้าไปจําแนกและมีความสงบนิ่งเป็นกลางปราศจากอคติอย่างยิ่งยวดด้วยจึงจะทราบได้ตามจริงอุปการะสรุป ทานที่หนูทํากับผมนั้นเป็นทานบนฐานของความกตันยูจะส่งผลให้หนูมีความเจริญรุ่งเรืองไม่ตกอับง่ายๆส่วนทานที่หนูคิดทํากับพระพุทธเจ้านั้นเป็นทานบนฐานของศรัทธานในบุคคลอันควรบูชาสูงสุดจะส่งผลให้หนูมีโอกาสทําบุญและเสวยบุญอย่างใหญ่หนูเคยทํามาก่อนเมื่อเจอสถานการณ์ที่ปลุกความจําในบุญเก่าก็กระตุ้นให้นึกอยากทําซ้ําอีกบุญประมาณนี้แหละสามารถติดตามพระโพธิสัตว์ไปทุกภพทุกชาติได้ไหวแม้เมื่อท่านเสวยชาติเป็นพระเจ้าจากักรพรรด ก็คู่ควรกับการเป็นนางแก้วของท่านลานดาวแยมยิ้มอย่างสุขสมและภาคภูมิใจในตนเองแต่ขนาดเดียวกันก็อดกังขาไม่ได้ขนาดประมาณบุญแห่งตนยังแค่ระดับบาทบริจาริกาแล้วกรรมอันควรแก่ความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจะต้องยิ่งกว่านี้ขนาดไหนทั้งในแง่กําลังใจทั้งในแง่คุณภาพกับปริมาณของทานและทั้งในแง่ผู้รับอันเป็นภาคขยายผลของทานแล้วทานแบบไหนที่ทําให้เป็นใหญ่ระดับจกักรพรรดิคะทานที่ทํากับคนทุกระดับ พบทุกประเภทและสั่งสมกันข้ามภพข้ามชาติเหมือนเก็บแต้มจนถึงจุดที่จะบรรดาทุกสิ่งให้พรั่งพร้อมบริบูรณ์พอกับการเป็นใหมายเลขหนึ่งของโลกหญิงสาวริบจดพลางถามท่านที่ทํากับคนทุกระดับคืออย่างไรคะคือให้กับทุกคนที่อยู่แวดล้อมรอบตัวเรานับตั้งแต่ในบ้านเช่นพ่อแม่พี่น้องลูกเมียไปถึงนอกบ้านเช่นลูกน้องเพื่อนร่วมงานเจ้านายครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าตลอดจนผู้ที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตเราโดยตรงเช่นสัตว์ ขอทานเด็กกำพร้าคนไข้อนาถาคนชราหรือแม้กระทั่งคนปกติที่รวยกว่าเราแข็งแรงกว่าเรามีเรื่องแค้นเคืองกับเราสรุปรวมเรียกสั้นๆว่าเป็นทานที่ให้แบบไม่เลือกหน้านั่นเองจะใกล้ชิดหรือห่างเหินจะต่ำกว่าหรือสูงกว่าเป็นเหมาหมดไม่เกีย่ยงงอนทั้งสิ้นแล้วการให้ทานครบทุกประเภทระคาหมายถึงอย่างไรทานมีหลายแบบทรัพยท า, านคือให้ข้าวของเงินทองปัจจัยสี่อภยท า, าน คือยกโทษไม่ถือโกรธยุติได้แม้กระทั่งการถูกใจเจ็บอวัยวะทานคือช่วยเหลือด้วยกําลังกายหรือบริจาคอวัยวะเช่นเลือดขณะมีชีวิตและร่างกายหลังตายให้นักเรียนแพทย์ใช้ศึกษาวิทยาทานคือช่วยเหลือด้วยกําลังความรู้ความคิดคําปรึกษาแนะนําต่างๆธรรมท า, านคือให้ปัญญารู้เรื่องกรรมวิบากและทางดับทุกข์ลานดาวเงียบคิดไปครู่หนึ่งพยายามเทียบเคียงกับชีวิตจริงสําหรับคนทั่วไปนั้น แค่อะไรง่ายๆเช่นเอื้อเฟื้อกันบนถนนให้รถของอีกฝ่ายไปก่อนก็ยากแล้วอย่าว่าแต่จะให้ควักกระเป๋าจ่ายสตางค์หรือจะให้สละความผูกใจเจ็บหรือจะให้ถอดสังขารไปบริจาคเลือดหรือจะให้เสียเวลาปากเปียกปากแฉะสอนใครทางโลกและทางธรรมแต่และอย่างนับว่ายากเต็มกลืนนี่กรรมของการเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิยังมีเงื่อนไขว่าต้องทําให้ครบทุกประเภทกับคนทุกระดับเข้าไปอีกก็ไม่ควรแปลกใจหรอกที่ตำแหน่งจกักรพรรดิจะเป็นของหายาก หากทำทานได้ครบถ้วนอย่างนี้จริงก็น่าเชื่อเลยค่ะว่าจะเกิดใหม่มีศักย์ใหญ่เหนือมนุษย์แน่ๆเพราะธรรมดาคนเราเกิดมาพร้อมกับความรู้สึกว่าต้องทำเพื่อตัวเองเอาเข้าตัวเองเท่านั้นอะไรไม่ต้องแจกก็ไม่อยากแจกเลยถึงต้องอาศัยบารมีระดับโพธิสัตว์คือเคยปรารถนามาก่อนว่าจะเสียสละตนเองในทุกๆ ท, ทางเพื่อคนอื่นไงละ่ะและเส้นทางของพระโพธิสัตว์นั้นไม่ใช่พลวดพลาดขึ้นมาก็ทำทานได้ครบถ้วนอย่างที่ผมว่าภายในชีวิตเดียวหรอก ต้องค่อยๆสะสมแต้มกันข้ามภพข้ามชาติเพื่อมาต่อแต้มเอากระทั่งบุญหนักสักใหญ่พอจะเป็นราชาในเวลาที่พระพุทธเจ้าอุบัติได้ถวายมหาทานยิ่งใหญ่เกินใครกับทั้งมีโอกาสเป็นศาสนูประรมพกอุปธรรมคำชูพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาใหญ่ในประเทศของตนขั้นนั้นบุญจึงพายบุญถึงขีดสุดเกิดใหม่ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิของโลกทันทีที่จเจริญวัยพร้อมพอลานดาวนึกอะไรขึ้นได้ก็ชักกังขาอาจารย์คะ การที่จิตวิญญาณไปปฏิสนธิในเลิจกจักระพัดได้ก็เพราะบุญอย่างอุกฤษแต่ทำไมการเป็นจักระพัดที่เห็นเห็นในอดีตถึงต้องลำบากตรักตรำอยู่แต่ในสนามรบแทบทางชีวิตมหาจักระพัดบางพระองค์กว่าจะสวรรคตก็ต้องบ่นคอศัตรูด้วยพระหัตถ์เป็นพันอย่างนี้มิขัดแย้งแย่หรือชาติหนึ่งทําบุญด้วยหัวใจบริสุทธิ์เพื่อมาก่อกรรมทําเขียนด้วยความกระหายอํานาจในอีกชาติหนึ่งจักระพัดประเภทนั้นเป็นจักระพัดธรรมดาคนฟังทําตาโต แม้แต่จกักรพรรดิก็มีแยกประเภทด้วยที่หนูกับคนในโลกรับรู้ตามบันทึกในประวัติศาสตร์นะ่ะเป็นจกักรพรรดิซึ่งบุญเก่าส่งฐานอำนาจมาให้ครึ่งหนึ่งแล้วต้องบวกกับความเก่งในการรบอีกครึ่งหนึ่งจึงสามารถสร้างชัยชนะเหนือราชาทั้งปวงได้แบบนั้นอาจเป็นผู้คลองโรคด้วยเวลาไม่กี่1ิปีเพื่อไปรับโทษในอบายภูมิเป็นร้อยเป็นพันปี แต่อย่างพระเจ้าอโศกมหาราชหลังจากกราบโลกได้แล้วท่านก็หันมาทํานุบํารุงและเป็นประมุกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปทั่วทุกสารทิศไม่ใช่หรือคะท่านก็ได้รับผลสมควรกับกรรมสืบต่อไปพระหัสที่เปื้อนเลือดในช่วงชีวิตแรกกับพระหัสที่ชูพระคัมภี์ขึ้นเหนือเสียงในช่วงชีวิตหลังทําให้ท่านเป็นกษัตริย์นักรบที่มีพลังชนะเหนือกษัตริย์อื่นๆในชาติต่อๆมาและไปเกิดในประเทศที่พระพุทธศาสนาประสบกับวิกฤตการ ต้องการบา ร, รมีของท่านมารักษาให้อยู่รอดและยั่งยืนต่อไปแต่แม้เป็นศาสนูประถมพกขนาดนั้นแล้วท่านก็เป็นจอมจกักรพรรดิตามคติของโลกยังไม่เข้าข่ายพระเจ้าจากักรพรรดิตามคติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ลานดาวเอ็นหลังพิงพนักอดหัวเราะด้วยความอ่อนใจไม่ได้กรรมจาแนกสัตว์ซับซ้อนพิสดารขนาดนี้นี่เล่ามีหน้าล่ะพี่เอินเคยบอกว่าเฉพาะสัตว์ในโลกนี้ก็ร่วมสิบล้านสายพันธุ์เข้าไปแล้ว โดยย่นย่อให้เหลือเพียงแก่นสัตว์ทั้งหลายต่างกันด้วยวิธีคิดในการก่อกรรมเท่านั้นแหละผลกรรมหลากหลายได้เป็นอนันต์แค่ไหนก็สะท้อนความวิจิตพิสดารของความต่างระหว่างชีวิตคิดก่อกรรมได้แค่นั้นแล้วพระเจ้าจากักรพรรดิตามคติที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงไว้เป็นอย่างไรหรือคะอาจารย์คือคนที่บุญถึงอย่างแท้จริงขณะที่โลกต้องยอมสยบให้เพียงเพราะเห็นบุญริษที่แสดงออกมาในรูปแบบความศักดิ์สิทธิ์ประการต่างๆผู้เป็นโพธิสัตว์นั้นก่อนเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ ชาติสุดท้ายมักเกิดใต้ร่มโพพุทธศาสนาศรัทธาพระพุทธเจ้าพยายามใช้สติปัญญาและบา ร, รมีทุกๆ ท, ทางกระทําให้อาณาประชาราชของพระองค์อยู่ในกรอบศีลธรรมไม่ใช้อาชญาขั้นประหารในการลงโทษผู้ประพฤติผิดแต่มีวิธีทําให้สํานึกผิดกลับตัวเป็นคนดีมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยฤทธิ์ของท่านและฤทธิ์ของศีลที่พระโพธิสัตว์ทําแล้วและชักนําให้คนอื่นร่วมทําตามส่งให้ชาติต่อมาของท่านเป็นใหญ่ได้โดยสวัสดิภาพ ไม่ต้องรบพุ่งไม่ต้องอาศัยอาญาไม่ต้องใช้ศาสตราก็สามารถคลองทวีปทั้งหลายโดยธรรมเพราะเมื่อมีสมบัติมากพอก็แจกจ่ายให้ทุกคนอิ่มท้องเมื่อทุกคนท้องอิ่มก็ปลัสจากขโมยขโจรปราสจากการเบียดเบียนฆ่าฟันปลัสจากการโกหกหมดเ ท, ท็จฟังยากหน่อยนะเพราะเรื่องนี้เราจะไม่ได้เห็นกับตาเผ่าพันธุ์มนุษย์ชุดนี้ก็ยังไม่เคยมีตัวอย่างบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ความรู้ที่เพิ่งได้รับจากอุปการะทําให้ลานดาวนึกถึงดําริของสาระ เขาบอกหล่อนเสมอว่าปราถนาที่จะเห็นระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์พอจะพัฒนาเป็นธรรมาธิปไตยเขาอยากขจัดอาชญากรรมอยากให้ทุกคนรู้ทางบุญซึ่งแม้หล่อนจะสนับสนุนให้ฝันอะไรดีๆอย่างนั้นใจก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้เพราะยอดแห่งฝันของเขาห่างไกลความจริงเหลือเกินต่อเมื่อใกล้ชิดเขามากขึ้นทำงานด้วยกันมากขึ้นเห็นวิสัยทัศน์กับปัญญาอันเอกอุ ข, ของเขาแจ่มกระจ่างขึ้นถึงวันนี้หล่อนกลับเกิดมุมมองใหม่ นั่นคือมนุษย์เราเคยชินกับคำว่าเป็นไปไม่ได้เพียงเพราะโลกนี้ขาดคนทุ่มเทสติปัญญาคิดสร้างเหตุปัจจัยให้มันเป็นไปได้ขึ้นมาช่องทางที่คนอื่นไม่เคยมองโอกาสที่คนอื่นไม่เคยเห็นสารณาพยายามเข้าไปมองจนเห็นมาแล้วหลายครั้งพินาพูดถึงอุดมคติทางการเมืองการปกครองให้จ่าฟังมามากแรกๆจ่าฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องตลกแต่ยิ่งวันก็ยิ่งตลกน้อยลงทุกทีเมื่อจ่าเห็นความสําเร็จในแผนต่างๆของเขาหลายครั้งดูเหลือเชื่อ แต่ในที่สุดก็ต้องเชื่อเมื่อผลออกมาตามเป้าหมายหนูอย่าไปดูถูกเขาความเป็นไปได้จริงเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยสองประการอันดับแรกคือมีความตั้งใจมุ่งมัน่นอันดับที่สองคือมีบุญเก่าหนุนอยู่อย่างเพียงพอขอเพียงมีเหตุและปัจจัยที่เหมาะสมก็ไม่มีเรื่องอะไรหลอกที่มนุษย์ทําไม่ได้พระเจ้าจากักรพรรดิของแท้มีจริงแล้วก็เกิดขึ้นได้ยากจริงๆเหมือนการอุบัติของพระพุทธเจ้าเลยใช่ไหมคะการอุบัติของพระพุทธเจ้าเป็นไปได้ยากกว่าการอุบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิหลายร้อยหลายพันเท่า อันที่จริงเส้นทางโพธิสัตว์ต้องผ่านการบำเพ็ญบุญอย่างอุกฤษมาด้วยกันทั้งสิ้นและการบำเพ็ญบุญอย่างอุกฤษจนใกล้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั้นส่งผลให้ได้คลองโลกแบบพระเจ้าจากักรพรรดิก่อนเพื่อกวาดบริษัทบริวารทั้งหลายให้ติดตามพระองค์ไปถึงชาติสุดท้ายที่ทรงเป็นธรรมราชาแปลว่ายกชันขึ้นสวยพจกพักรพรรดิแล้วจะไม่ตกกลับเป็นราชาหรือสามัญชนคนธรรมดาได้อีกเราสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าต่อเลยหรือคะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกฐานะจากักรพรรดิยังตกอยู่ในการครอบงำของอนิจจัง ยังกลับเป็นกษัตริย์ธรรมดาหรือสามัญชนได้เสมอชาติต่างๆมีปัจจัยบีบคันให้ก่อเหตุลงต่ำและขึ้นสูงได้เรื่อยๆจะนึกอะไรออกอย่างหนึ่งถ้าหากจำไม่ผิดมีโฮราจารย์ทำนายเจ้าชายสิทธัตถะไว้ว่าจะเลือกเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหรือพระบรมศาสดา ก, ก็ได้อุปการะพยักหน้ารับรองถ้าเจ้าชายสิทธัตถะไม่เลือกออกผนวด ถึงตอนนี้หน้าประวัติศาสตร์จะบันทึกการมีอยู่ของพระเจ้าจักรพรรดิตัวจริงเหนือยิ่งกว่าพระเจ้าอโศกมหาราชอเล็กซานเดอร์มหาราชตลอดจนเจงกิสข่านรวมกันเพราะเหตุท่านมีบารมีพอจะครองโลกในแบบธรรมอาธิปไตยได้สําเร็จเป็นพระองค์แรกในเผ่าพันธุ์มนุษย์ชุดนี้หญิงสาวทำหน้าสงสัยแล้วอย่างนั้นทําไมท่านไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก่อนแล้วค่อยออกผนวตเป็นาศาสดาล่ะคะโลกจะได้มีาศาสนาเป็นหนึ่งเดียวอุปการะสายหน้าเล็กน้อยไม่ใช่วิสัยหลอก เมื่อพระโพธิสัตว์สวยพระชาติอันทรงบารมีแก่กล้าถึงขีดสุดก็ต้องเลือกว่าจะให้บารมีทางโลกหรือบารมีทางธรรมเบ่งบานขึ้นมาจะเหมารวมทั้งทางโลกทางธรรมไม่ได้ถ้าเทียบเคียงกับโหราศาสตร์คือจะมีจุดตัดของการบรรดาญผลสําเร็จสูงสุดครั้งเดียวเมื่อเลือกด้านหนึ่งก็จะต้องเสียอีกด้านหนึ่งไปลองมองตามความจริงของช่วงอายุไขมนุษย์ปัจจุบันซึ่งไม่เกินร้อยปี ถ้าท่านคลองราชก็ต้องรอจนชราหรือใกล้ชราจึงเหมาะควรกับการออกบวชตามธรรมเนียมกษัตริย์โบราณแล้วท่านจะเอาพระกำลังจากไหนมาลองผิดลองถูกตรากตรำทรมานตนตั้ง6ถึงเปีก่อนสำเร็จธรรมอย่างที่เรารู้กันเครื่องหมายคำถามที่หัวคิ้วของลานดาวคลายลงการตัดสินใจเลือกของผู้มีบุญญาธิการระดับโลกนี้ส่งผลกระทบในวงกว้างใหญ่และยืดยาวมากนะคะถ้าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านไม่เลือกการบ ร, รพชา ก็คงไม่มีมรดกทรมาถึงอาจารย์แล้วอาจารย์ก็จะส่งทอดมาถึงจ่าไม่ได้จากก่าก็โง่ต่อไประหว่างการเที่ยวเกิดตายคงมีน้อยครั้งที่จ่าจะเข้าใจกรรมวิบากได้กระจ่างเหมือนชาติที่เกิดใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาอย่างนี้การตัดสินใจของทุกคนมีผลกระทบที่สำคัญต่อโลกเสมอตอนหนูร้ายหนูไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวและตอนหนูดีหนูก็ไม่ได้เย็นสบายเพียงลาพัง คนรอบตัวหนูจะช่วยกันกระจายคลื่นความเดือดร้อนหรือคลื่นความเย็นสบายออกไปกว้างไกลขึ้นเรื่อยๆโดยที่หนูไม่อาจตามไปดูผลได้หมดลานดาวประสานมือบิดตัวนิดๆคุยเรื่องพระโพ ธ, ธิสัตว์มากๆแล้วคิดถึงสรณะขึ้นมาอย่างแรงจึงแยมยิ้มในลักษณะการของผู้มีความยินดีปลีดาในเส้นทางกรรมแห่งตนโชคดีจังที่หนูเจออาจารย์แล้วก็เอาชนะนิสัยเสียๆของตัวเองได้ จนพบพี่นาตั้งแต่อายุยังน้อยแทนที่จะต้องใช้ชีวิตไปครึ่งค่อนกว่าจะมีโอกาสคบกับเขาชะยังตะลึงไม่หายเลยนะคะที่อาจารย์บอกว่าเขาใช่มันเหมือนฝันหรือเหมือนเล่นเกมที่ชนะแล้วบางทีไม่รู้ตัวได้ซ้ําว่าชนะแล้วชนะนิสัยเสียของตัวเองก็คือชนะอกุศ ล, ลกรรมเก่าด้วยกุศลกรรมใหม่เป็นการทําให้ตัวเองหลุดจากเส้นทางที่น่าเหน็ดหน่ายสั่งสมกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอะจิตยิ่งสว่างขึ้นเพียงใด ชีวิตยิ่งเหมือนฝันที่เต็มไปด้วยแสงสวยาสาด ร, รอบมากขึ้นเพียงนั้นอะไรอะไรในฝันย่อมกระจ่างชัดและสนุกสนานตั้งแต่ต้นจนจบเสมอ